าทางเทคนิคไม่เกี่ยงนะเริ่มตนเองเลยนะสวิตชิ่งกดเอาตามสบาย บัดนี้เราจะได้นอบไหว้พระสมมาสัพพุทธเจ้ากันนะทุกคนตั้งใจไหว้กายเราจะประนมมือปากเราจะพูดกล่าวคำนอบไหว้คือะโมตสระแปลว่าขอนอบไหว้ใจเราก็นอบไหว้ด้วยอย่ามีแต่มือไหว้ปากกล่าวนอบไหว้ แต่ใจไปเป็นลิงไปไหนก็ไม่รู้นะใจไม่ได้นอบวายจริงเรียกว่านาวายใจหลอกพยายามให้ใจก็วายกายก็วายวาจาก็วายให้มันตรงกันจะได้เป็นอนิสงส์ไม่นาวายใจหลอกน ะ, ะตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นไปเกิดกิสมาธินโมตสัพภควตโตอรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสนังกัจฉามิธรรมสนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสนังกัจฉามิ ทุติยมปิธรรมสรนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรังกัจฉามิ ติยมปิธ er in ัมมังสรรนังขจามิตัิยมปิสังขังสรรนังขจามิติศุระคัมมณังนิทธิตัง จเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้วันที่ส1บอ็ดสิงหาคม2557้าอห้าบเจ็ดก็เราถือว่าเป็นวันแม่วันพรุ่งนี้จริงๆวันที่สนะิบสองเป็นวันสมภพของพระราชนีถือว่าพรุ่งนี้ แต่เดือนนี้ทั้งเดือนแล้วก็ฉลองกันวันแม่ทั้งเดือนอะในะใกล้วันที่12บสองนี่ทั้งก่อนทั้งหลังก็ฉลองกันตามธรรมเนียมนะของโลกของสังคมคนเนี่ยรู้จักหาวิธีเพื่อที่จะให้คนมารวมกันมาร่วมน้ำใจกันมาร่วมพฤติกรรมทั้งกายวาจาใจ ทำพฤติกรรมร่วมกันประสานกันอยู่อย่างสามคัคคีอยู่กันอย่างอบอุ่นอยู่กันอย่างเอื้อเฟือเ้อเจรจามีอะไรก็ช่วยเหลือเกืเ้อ ก, กูลกันมีอะไรแบ่งกินแบ่งใช้กันนี่เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ที่มันต่างจากสัตว์อยู่บ้างสัตว์เดรัจฉานนั้นมันไม่รู้เรื่องเท่าไรเราแบ่งกันกินแต่มันก็มีการแบ่งกันกินของสัตว์เดรัจฉาน บางผู้บางตัวบางตนมันรู้เป็นหน้าที่เช่นหน้าที่แม่มันก็จะเลี้ยงลูกมันก็แบ่งอาหารให้ลูกอะไรนี่เป็นธรรมดาธรรมชาตินอกจากนั้นมันก็ไม่เขาจะเข้าใจเท่าไรแบ่งถ้าไม่ใช่ลูกตัวอื่นๆมันก็ไม่รู้จกแบ่งใครจะเอาเขาตัวใครตัวมันถ้าลูกเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตตนิยาส่วนหนึ่งของตัวของตนเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตน ทะลุหรือว่ากใกล้เครือญาติของเขาเขาก็มีบ้างอยู่ด้วยกันเป็นมิตรสหายถ้าห่างไปแล้วเขาก็ไม่ถือเป็นมิตรสหายเครือญาติอะไรมากมายจิตวิญญาณของสัตว์เดริชานก็มีการกําหนดมีการรับและก็รู้ที่ต่างกันก็จากคนคนมีการรับมีการรู้เยอะ เสร็จแล้วก็มากาหนดเอาเองตั้งตั้งข้อจํากัดเอาเองของตนเองว่าระลับคนนี้เป็นเราคนนี้ไม่ใช่เราคนนี้ไม่ใช่ของเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้ไม่ใช่หมู่เร า, าคนนี้ห่างจากเราดีไม่ดีคนนี้เป็นศัตรูเราตั้งหน้าตั้งตาห้ําหันกันเข่นฆ่ากันเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น จิตวิญญาณของคนมันขยายไปได้มากก็ได้ต้องมาเรียนแล้วมันจะขยายไปอย่างเรวหรืออย่างดีอย่างไรเรียกว่าดีอย่างไรเรียกว่าเลวก็มาทำากามเข้าใจกันไอ้เรื่อง ง, ง่ายๆก็เข้าใจกันได้ง่ายไอ้เรื่องที่มันไม่ง่ายซับซ้อนลึกซึ้งตีกลับ คนละเรื่องคนละทางกัน เ, เราเข้าใจม่าดีแต่ทิศแท้มันเลวอะไรอย่างี้เป็นตน้นกลับกันไปเลยก็ต้องมาศึกษากันดีๆศึกษากันอย่างชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เราจะเห็นว่าจิตของเราในมันยึดมั่นถือมั่นมันเข้าใจอย่างงี้แล้วแม่มันจะมาเข้าใจใหม่แล้วว่าเอออย่างี้ต้องอย่างงี้จะเข้าใจไปยังไงก็ตามมันก็ยังยึดอยู่มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะ มันไม่เปลี่ยนไม่แปลงมันก็ยังถื อ, อยังงั้นอยู่ยังเก่านะเพราะงั้นเราต้องมาศึกษาดีๆเจ้าตัวอย่างที่มันเห็นผิดเป็นถูกหรือเห็นถูกเป็นผิดจริงๆนะอย่างความลึกซึ้งของจิตวิญญาณนะมนุษย์เข้าใจแล้วมีปฏิพานปัญญาและเข้าใจแล้วว่าดีคืออย่างนี้เช่นคนเราเนี่ย ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่นการเอาเปรียบไม่ดีการไม่เอาเปรียบเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นในดีรู้นะลึกๆ ก, ก็รู้อยู่แต่เสร็จแล้วเผลอกิเลสมันครอบงำประพฤติปฏิบัติมันไม่เอ า, ม, ม, เอามันไม่เอาใบจะให้ใหผู้อื่นนะไม่เอาเปรียบ ม, ม, ม, ม, มันไม่ทำ มันจะเอาเปรียบอมันจะเอาเปรียบมันจะแย่งชิงผู้อื่นอมันเป็นยังไงน่ะมากลับไปกลับมาหรือแม้ทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจกันยากเลยว่าจริงๆแล้วในการยึดมั่นถือมั่นการหอบการกอบการโกยอ่การมีตัวมีตนมีของตัวของตนน่ะทำมาลึกๆของพู้เจ้าสอนมันไม่ดีอ่ะมันเลว ไม่ต้องมีของตัวของตนเลยคนอื่นรายกนอื่นไปหมดได้ดีมาเป็นคนจนดีไม่มีอะไรจ น, จนๆรวยไม่ดีคิดไม่ออกคนทุกวันนี้บอกว่าจนมันดียังไงวะรวยสิมันดีคิดไม่ออกไปพูดยังไงเ้าก็คิดไม่ออกมาเป็นคนจนมันดีนี่มันทวนกระแส ก, กลับไปหมดละ มันเป็นคนจนมันดีตรงไหนจนมันก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรกินอะไรอยู่อะไรใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคิดไม่ออกพระพุทธเจ้าทานสอนในคนมหัดจนแล้วก็แจกจ่ายเจือจานขยันมันเพียรสร้างสรรมีความรู้ความสามารถทำงานทำการสร้างสรรเป็นสมาอาชีวะสมากรรมมันตะสมาวาจาทานิดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้น จนแรกก็มาอาศัยใช้ซอยกันไปกินแบ่งกันกินใช้แบ่งกันไปแบ่งกันมาไม่ต้องกอบหอบหัวมาเป็นของตัวของ ต, งตนแบบนี้อยู่กันอย่างสงบสุขเลยไม่ทะเลาะเบาะแวงมาอย่างไม่จริงแต่แต่ตละคนแต่ละคนเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้กันได้หมดโอ้สังคมนั้นสุขสบายมากเมื่อยังช้าเราเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้ประพฤติธปฏิบัติกันมาจนใจพวกเรานี่มีจริงในใจจริงๆ พยายามฝึกมาจนกระทั่งไม่ติดใจเท่าไหร่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ห่วงไม่แนเท่าไหร่ลดลงลดลงลดลงเอามาไว้เป็นส่วนกลางแบ่งกันกินกันใช้ไปเจือเกื อ, ก, อ, อ ก, กูลกันไปคนไหนที่ควรจะได้เออให้เขาเถอะเราเสียสละได้ก็ยิ่งดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดความเป็นอยู่สุขช่วยเหลือเกื อ, อ ก, กูลกันไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครลำบาก ใครที่อยู่ในฐานะที่ต้องช่วยคนเจ็บคนป่วยคนแก่ทาไม่ไหวก็ช่วยกันเด็กมันยังไม่ค่อยเดียงสามันยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องให้อันนั้นอันนี้ช่วยตรงนั้นตรงนี้เราก็ช่วยกันไปมันก็อยู่กันอย่างสมบูรณ์ทั่วถึง อ, อยู่กันอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดไม่ร้อนไม่วนไม่วายนี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่จริง เพสังคมทุกวันมันลืมนะตัวใครตัวมันเทนแก่ตัวนี่ตัวกูของกูหนักเข้ากับมีแต่ตัวกูเก่งอย่างเก่งก็แค่ลูกกูบ้านกูบ้านอื่นไม่ใช่ของกูล้ำเขตกันก็ไม่ได้เลยเข้ามาก็ไม่ได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้มันหนักไปเลยทุกวันนี้สังคมประเทศชาติมนุษย์ชาตินะเพราะฉะนั้นคนที่ เข้าใจได้ก่อนปฏิบัติได้ก่อนรู้ดีก่อนพระพุทธเจ้าท่าน ก, กลับมาสอนเรื่องพวกนี้มันเห็นแก่ตัวมันจนกระทั้งต้องมีพรุทธเจ้าขึ้นมาเกิดสอนใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้คุณธรรมขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นคนต้นแบบมาเป็นคนตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้แั่คนอื่นเป็นต้นแบบคนอื่นไปอย่างพวกเรานี่พูดไปเอ ไม่จะคุยตัวอะไรเพราะเราก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบให้แก่สังคมเขาเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไอ้ที่เข้าใจบ้างก็เออดีไอ้ที่เข้าใจดีๆก็มามาร่วมมาร่วมม า, ว ม, มาสง่งมาเสริมดีไม่ดีก็เอาตัวเองมาเป็นคนเช่นนี้ด้วยก็ค่อยๆเป็นมานานมาตั้งสามสิบสี่สิบปีแล้วยังไม่ก็จะเฮฮาอะไรกันเลยไม่รู้ว่านี่ดีการที่ไม่เห็นแก่ตัว การไม่มีตัวไม่มีตนเกือกูลเนื้อเฟืองนี่มันดีดีกว่าเลยดีกว่าสังคมที่เขาเป็นอยู่จริงๆเลยจริงไหมว่าจริงไหมจริงไหมมันจริงพวกเราในชัดเจนจริงพวกเราเราจึงมาขณะนั้นคนทั้งนอกเขาก็ไม่รู้เยอะนะไม่รู้ก็มีเหมือนกันที่รู้แต่บอกว่ามาไม่ได้นะถูกผีดึงไว้มาไม่ได้นะรู้ว่าดีละ แต่ไอ้ที่ไม่รู้ว่าดีน่นนะๆเยอะมองพ้นเพล้นก็ว่าเออดีเองไปเถอะแต่ใจจริงๆลึกไม่คิดว่าจะเห็นดีด้วยหรอกเพราะจะไม่คิดจะมาปฏิบัติประพฤติศึกษา เ, าเล่าเรียนดีไม่ดีไม่ส่งเสริมไม่อะไรเลยเองเป็นของเองเป็นไปดีไม่ดีบาหรับเปล่าหาวันนี้บาหรเปล่าไปน่นก็มีแสังคมมันเลวร้ายถึงข น, นาด น, นี้แล้วถึกวันนี้ ทีนี้พอได้แล้วลักษณะจังเงี้มันเป็นที่จิตใจเราไม่มีเราก็สุขเราจนเราก็สุขทั้งโน้นเขต้องมีรวยนะต้องได้ต้องมีอันนั้นอันนี้มายืนยันประกอบว่าฉันได้ฉันมีฉันเป็นหอเพาะหัวงอย่างเงี้ยถึงจะสุขถ้าไม่มีถ้ามันเสื่อมไปทุกขมันพลากไปมันเสื่อมไปมันน้อยลงทุกต้องมีถึงสุข แต่พวกเราเนี่ยไม่มีเลยก็สุขมีมาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีมาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนใช้เป็นแจกจ่ายเป็นเอาไปเผื่อแผ่เกื้อกกูนเอาเอามาแล้วเราเห็นว่าเราพอใช้เราเหลือเฟือเราแบ่งแจกดีกว่าเราก็ไปแจกคนอื่นต่อต่อต่อได้ไม่ไม่ประหลาดแต่อีกพวกนั้นเขาไม่แจกไม่ให้ใครหอบกอบโกง อคองเข้าไปมีมากเท่าไรก็กักตุนเก็บเป็นของกูของกูของกูของ ก, อง ก, องกูเต็มไม่หมดนั่นแหละพฤติกรรมแบบนั้นแหละนิสัยแบบนั้นแหละมันทำให้ต้องมีหลักศาสรหลักเศรษฐศาสตร์หลักการบริหารดูแลปลกครองแบ่งแจกอะไรตัวต่างๆนาน า, นาสารพัดซ้อนกันเข้าไปแนะนำางนเข้าไป แต่เขาไม่ได้ศึกษาไปถึงต้นต้นรากของความเป็นจริงคือจิตเราเนี่ยไม่ได้จัดการกาจัดตัวผีรายมันมีตัวกิเลสเป็นผีรายจริงๆไม่ได้ศึกษาอย่างนี้กันเพราะก็เลยไปศึกษาแต่วิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทางอะไรพูดไปเถอะหลักการดีทั้งนั้นแหล ะ, ะแบ่งแจกกระจายรายได้ สะพัดไปอะไร ต, รายยาต่างๆนาการบริหารปกครอ ง, งไงก็ต้องเกื้อกูลแจงแบกโอ๊ยไม่ใช่แจงแบกแจกแบ่งพูดไปพูดมาสับสนต้องแจกต้องแบ่งต้องเกื้อกูลเจือจานหลักเกณฑ์มีหมดแต่มันรู้แต่หลักเกณฑ์เสร็จแล้วมันก็ทำไม่ได้ดีไม่ดีหลักเกณฑ์คล่องเข้าใจดีเลยนะสอนมาเป็นอาจารย์สอนวิชานี้เลยนะแต่ตัวเองไม่ทา ตัวเองก็หอบกอบกองเอาเปรียบเอารัดกันอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้ว ก, ก็ไม่รู้ตัวนะถึงรู้ตัวก็ทำเฉยก็ฉันมีฉันได้ฉันตามฐานะของฉันนะฉันมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะ สรุปแล้วคนเรานี่ไม่รู้กิเลส ท, ที่มันเห็นแก่ตัวสรุปคำจริงๆก็เห็นแก่ตัวนมันเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยทีนี้พระพุทธเจ้านี่รู้ว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวผีตัวลายตัวกิเลสพวกนี้จริงๆท่านก็ค้นคว้าจนกระทั่งเจอสูตรเตสิตศรีสาคัญอ่านก็ไปรู้ทั้งจิตจริงๆแล้วให้ฝึกให้ละให้ลดมา นะให้แสดงให้ให้เอาออกสละออกตั้งแต่ทานศีลแล้วก็ทำให้เกิดผลแล้ ว, ว่าภาวนาที่จึงทานศีลภาวนานี่เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเป็นอันเดียวกันทานทางกายก็ทานใจก็จะต้องให้มันทานนั่นเรียกว่าศีลขัดเกลาร์ศนะีลตั้งข้อว่ า, วาเอาออก อันนี้เว้นออกเว้นขาดเอาออกให้ผู้อื่นเสร็จแล้วก็ต้องอ่านจิตแล้วก็ให้จิตของเรามันให้จริงๆ จ, จิตมันก็ให้อย่างที่มันให้ของข้างนอกนี่แหละต้องศึกษาใ จ, ต, าใจต้องศึกษาจิตอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติศีลขัดเกลามันจะกระทั่งเออมันให้เหมือน ก, นกันกับข้างนอกให้ข้างในก็ให้ถ้าทำได้ง้ก็เกิดภาวนาไหม สำเร็จด้วยการปฏิบัติเกิดผลภาวนาใหม่เกิดผลทานศีลภาวนานเป็นหลักเดียวกันเสร็จแล้วเมือเช้าเนี่ยตมา ก, ก็ฟังพระพรมมบันดิตเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชื่อท่านชื่อประยูนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงมหาวิทยาลัยจุฬารัตจุฬาราชวิทยาลัย ขึ้นมาเป็นระดับชั้นพรมละอายุยังไม่ถึงเจ็ดสิบหรอกหกสิบกว่าเองหนุ่มมากเลยชั้นพรมนี่รองละรองรองสมเด็จละอีกชั้นหนึ่งก็ได้เป็นสมเด็จละชั้นพรมแลชั้นทำแล้วก็ชั้นพรมแล้วก็ชั้นสมเด็จจากสมเด็จก็เป็นสังฆราชวัยองค์นี้วัยมากสอนอย่างมุช้านี่อาจามา ก, ก็ฟัง ศีลก็อย่างหนึง่งทานก็อย่างหนึง่งสมาธิก็อย่างหนึง่งหรือภาวนาก็อย่างหนึง่งสอนก็อยู่งั้นจริงๆเลยแยกกันเลยอย่างศีลสมาธิปัญญานี่ศีลก็เฉพาะกายกวาจาเท่านั้นสมาธิก็ต้องเป็นั่งเอาไปทำสมาธิไปศึกษาฝึกฝนสมาธิเอานี่คือการศึกษาทางาศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นถึงอธิการบดีขออภัยที่อาตมาหยิบมาวิจาร์วิจัยในที่นี้ไม่ได้เจตนาโกรธเกลียดชังท่านหรอกนะท่านอธิบายเก่งโอ้บรรยายเก่งทำงานขยนันท่านถึงได้เป็นชั้นพรมไว้นะขยันเอาจริงเอาจังทำงานดีนะคนอื่นเข้าใจได้เก่งนะจบปริญญาเอกนะเป็นด็อกเตอร์บริ ร, ริญญาเก้า เป็นศาสตราจารย์เป็นอธิการบดีเผยแพร่ทั้งประเทศต่างประเทศเทศั้งเมืองไทยเมืองนอกอเก่งนะเป็นคนเก่งมากแต่ความเข้าใจก็เข้าใจอยู่อย่างนี้ซึ่งมันทําให้เนื้อแท้ของศาสน า, าพุทธสูญเสียที่าจะรย์กล่าวว่าเนื้อแท้นี่เพราะว่าเนื้อแท้ของศาสนาพุทธนั้นเรียกว่าปรมัตทธรรมหรือปรมัตทสัจจ สมมุติธารทหรือสมมติที่สัจจะเป็นของโลกของโลกีซึ่งจะชั้นดียังไงก็แค่แต่เพียงจริยธรรมเพียงแต่ใช้กดใช้หลักกฎเกณฑ์แล้วก็พยายามสะกด อ, อกสะกดใจเสียสละไปตามภาษามารยาทไม่ได้เข้าถึงใจจริงใจไม่ได้เป็นคนมากน้อยสันโดษใจไม่ได้เป็นคนลดละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่มีกิเลส น, นั่นแหละไม่ได้เป็นจริง ไม่ได้เข้าไปศึกษาถึงขั้นใจเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิที่เขาสอนกันเนี่ยก็คือไปนั่งสะกดจิตทำให้จิตมันนิ่งมันสงบไม่ดิน้นไม่ดิน้นไม่ดิน้นก็เป็นเจโตสมาธิเจโตสมถะร้อยเปเซ็เลยท่านสอนไปในท่านมีบาลีกากับไปตลอดเวลานะท่านประเดียนก้าแปลเป็นฉากๆเลยเอามาแปลโอ้โหน่าเชื่อถือมากเลยอาตมาไม่มีติดฝุ่นหรอก ไม่ได้รู้อย่างท่านหรอกไม่ได้รู้ติดฝุ่นท่านเลยนะท่านรู้มากรู้จริงรู้เยอะแต่มันไม่เข้าถึงปรมาทัยอันนี้และอธรรมเส้นดายาศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่เข้าถึงปรมัตัยนี่ก็ถือว่าเป็นาศาสนาที่ไม่สําเร็จผลไม่มีโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมคืออะไรโลกุตตรธรรมคือสิ่งที่ตรงกันข้าม ก, กันกับโลกิยะ เหนือโลกียะโลกุตระเนี่ยโลกหรือโลกุตระนี่โลกโลกุตระก็คือโลกกับอุตระอุตระแปลว่าเหนือเหนือโลกียะหรือเหนือโลกเหนืออย่างไรเหนือก็คือว่าอยู่อย่างโลกนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นไปตามโลกไม่ได้แย่งชิงแบบโลกไม่ได้อยากได้แบบโลกหรือจริงๆก็ ไม่ได้เข้าใจแค่อย่างโลกโลกเลยว่ามีอวิชชาแต่เข้าใจอย่างคลุมกว้างนอกจากเข้าใจและรู้จักจิตใจด้วยโลกุตฑราต้องมีจิตใจรู้จักจิตใจด้วยว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เป็นละมันไม่โลกมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคนโลกโลกคนโลกโลกกล่าวม า, าต้นแล้วเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว นะหอบหามกอบโกยเสร็จแล้วกว็โกงทุจริตแต่โลกุตระนะั้นล้างความไม่ดีไม่งามอันเป็นทุจริตหรือเป็นอกุศลเหล่านั้นล้างจริงๆกระจัดกขจัดไปจากเหตุเลยตัวเหตุที่จิตอกุศลจิตมันโง่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กรอบโกย ห, ห่วงแหนขี้เหนียวเบียดเบีย น, ยนผู้อื่นไม่มีน้ำใจ นั่นเป็นโลกียะพอโลกุตระมันล้างมันทำคลายเปลี่ยนแปลงจิตเลยการเปลี่ยนแปลงจิตไม่ได้ท่านไม่เรียกว่าโลกุตระคุณจะควบคุมกายวาจาทำให้ดีงามขนาดไหนก็ตามแต่จิตไม่ได้เปลี่ยนจริงจิตถูกบังคับให้ทาหรือว่าทาตามที่คิดว่าเพลินๆวิา เ, เอ อ, เ อ, อทำอย่างเงี้ยมันดีต่อสังคม จะจิตจริงยังไม่ได้ลดละวางออกจากเป็นเราเป็นของเราอย่างไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวไม่เป็นตัวเป็นเป็นตนไม่เป็นของตัวของตนมันไม่ได้เป็นเลยนะเพราะเมื่อจิตไม่มีความเป็นโล ก, กุตระแม้แต่ขั้นที่หนึ่งโล ก, กุตระพระเจ้าท่าแจกไว้ถึง46 46ขั้น46อย่างเยอะไปไหมสี่สิ ท่านตรัสเป็นหลักเป็นหลักเรียกว่าบุคคลเลยที่จะมีคุณธรรมสมบูรณ์เป็นเป็นหลักใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนว่ามี9โลกุตรก้ามีโโซดาปฏิมักมีโซดาปฏิผลนี่เป็นหนึ่งเป็นสองสกิทาคามีมักสามสกิทาคามีผลสี่อนาคามีมักห้าอนาคามีผลหก อรหัต h a m a k เจ็ 7, อรหัตผลแปนิพพานเกนะท่านตัดตรัสสูตรตรัสเรื่องโลกุตระนี่ม่เป็นหลักอย่างนี้เลยทีนี้มันจะเป็นคนหรือเป็นหลักใหญ่ๆเก้าหลักนี้ได้ท่านก็แจกละเอียดไปอีกเป็นอีก37เจดหลักส7เจดย่อย 37ย่อยก็โพธิปักขีทำสารวมกับ9ก้าก็เป็น46น่<ม>พระโลกุตระนี้ท่านตรัสไว้ชาเลโลกุตระคืออย่างนี้คำว่าโลกุตระเดี๋ยวท่านใช้กับอันนี้เลยาอาตมาจำสูตรไม่ได้แล้วในพระธปิฎกเล่มอะไรสูตรอะไรนะ เพราะงั้นถ้าคนเราไม่ได้ศึกษาจริงวาเนื้อแท้แก่นแท้ของศาสน า, าพุทธนั้นะเป็นโล ก, กุตระเป็นโล ก, กุตระขอยืนยันย้าอีกหมื่นแสนล้านครั้งแต่ไม่พูดนะพูดแตคางยานย้าเลยเมื่อศาสน า, าพุทธไม่มีโล ก, กุตระนะั้นขอยืนยันว่าศาสนาพุทธไม่มีแก่นแก่นคือวิมุตต์แก่นคือนิโรธ แกนคือสิ่งที่ลดละจางคลายกิเลสนี่แหละถ้าพฤติกรรมที่ลดละจางคลายกิเลสเนี่ยทำไม่ได้เลยแม้แต่จุดหนึ่งหน่วยหนึ่งเรื่องหนึ่งยังรู้ๆชัดๆเลยว่าเอออย่างนี้คือการละอย่างนี้คือกิเลสในจิตอย่างนี้คือเข้ามาจับตัวกิเลสแล้วแล้วก็จะต้องทําลายกิเลสให้ได้พอเริ่มต้นเข้าไปจับตัวกิเลสได้ แม้ว่ายังทําลายกิเลสยังไม่ได้เรียกว่าเข้าสู่โลกุตระมักและรู้จิตเจตสิกรู้กิเลสตัวกิเลสเป็นนามมาทำเป็นจิตใจของเราจริงๆ จ, จับได้จริงๆเลยอานมียานเห็นจริงจริงเดพนวิจิกิจชาเรียกวพนส ก, กายทิฏฐิพนวิจิกิจชาสังโยชน์สองข้อทีนี้เรามีศีลมีพระธมมีวิธีปฏิบัติหลักการปฏิบัติทฤษฎีทีท่การปฏิบัติเราก็เรียนมาแล้ว เรียนมาถูกต้องก็ตามแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้วิธีกำจัดสีนผดนั้นจนทำให้ตัวกิเลสตัวที่คุณจับตัวมันได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงจางคลายลงไปก็ถือว่ายังไม่เป็นผลถ้าลดลงได้หน่อยหนึ่งก็เป็นผลนิดหนึ่งไอ้ผลนิดนึงมันยังไม่ฉาดต้องเป็นผลมากพอสมควรจนกระทั่งสมมุติว่าผลมันแตรออร์เซได้สัก้าเปซมันก็เออยังเรียกว่าได้ผลมงละ เลยห0ไปเป็น 75% เปอเออย่างนี้ถือว่านิยตตะถือว่าแน่นอนใช่ถ้ายังไม่เลยไปถึงส้ง 75% สามส่วนในสียังไม่ถือว่าแน่นอน mm hmm. ของพูดเจ้าท่านบอกโสดาปฏิมากรรในมีโสดาปนนักอาินิปาตธรรมนิยตตะสัมโพธิปรายณะนี่เป็นต้น จะต้องอ่านจิตจริงๆเลยว่าเห็นจางคลายเห็นว่ามันลดไปแล้วต้องประมาณให้แม่นเลยโอ้แต่ก่อนนี่กิเลสเรารอยเปอร์ซ็นเป็นอย่างนี้โอ้ตอนนี้ได้ไปแล้วเจ็ดิบพาสเหลืออยู่แค่ยี่บอะไรเงี้ยแล้วต้องประมาณจริงๆต้องหัดคำนวณดูน้ำหนักเลยว่าอินซีอินซีของมันน้ำหนักของมันมันมีดีกรีของมันมันมีความเข้มขน้นความควบแน่นอะไรของมันมันแข็งมันอ่อนอยังไง เห็นจริงๆว่าเออมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปเบาบางลดความหนาความแน่นความมากลงมาจริงๆต้องมีญาณอ่านจิตเห็นจริงพระอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติในลักเกนุจ้าท่านตรัสรู้ชัดหมดเลยผู้ที่เข้าสู่โกรกุตระมกักเริ่มต้นปฏิบัติได้อย่างที่อัตมากล่าวไปก็ได้ถึงขั้นสามใน4นี่ถือว่าเป็นผลพอสมควรถ้าเต็มร้อย ก็เป็นผลเต็มเป็นโสดาปฏิมากคเต็มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นแต่แต่หลักการของมูะเจ้าที่สอนไว้โพธิปักเกียรํธรรมา37เป็นโล ก, กุตระถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ข้อหนึ่งกายในกายมีสติปัฏฐานสี่โพธิปักเกียรตธรรม3าเจ็มี สติปทานสมีสมปทานสี่อิทิบาทสอินสี่ห้าพละห้าโพชงเจมัดแปดสี่ห้าเจ็ดปดเจตมาเคยบอกเล็กนะไม่ใช่เลขไปแทงหวยนะสี่ห้าเจ็ดปดนะสีก็คือนั่นแหละสามองค์แรกสติปทานส สมประธานสีอิทิบาทส4เนี่ยแล้วก็ทำแล้วก็จะเกิดสังสมลงเป็นน้ำหนักของผลเรียกว่าน้าหนักของผลเป็นอินรีน้ำหนักหรือดิกรีของมันเนื้อหาของมันความควบแน่นของมันความมีมกักมีผลของมันอินรีมันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเต็มก็เรียกว่าพละอินรีย์าก็มาเป็นพละห ซึ่งท่านแจกอินทรีย์ไว้ว่ามีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นต้นซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าธรรมจิตวิญญาณลักษณะศรัทธาคืออาการยังไงลักษณะอาการของจิตวิญญาณวิริยะคือไงสติคือยังไงสมาธิคือยังไงปัญญาคือยังไงเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมันมีอินทรีย์ศรัทธาเราสูงขึ้นไปทั้งสมส่วน สัทาเราเต็มเลยร้รอยส่วนวิริยะเราเต็มเลย1 0อยส่วนสติเราเต็มเลย100ส่วนสมาธิเราเต็มเลย1 0อยส่วนปัญญาเราเต็มเลย1 0อยส่วนหรือแค่เจ็ดสิบป้าหรือแค่สามส่วนหรือแค่ห้าสิบครึง่งหนึ่งหรือแค่ยี่สิบ้าเสี้ยวหนึ่งของสี่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้อินทรีย์ของมันถ้ามันเต็มมันก็พละ โดยปฏิบัติอยู่ในฐานของพชชงเจ็ดและมักองแปดพจชงเหมือนขาเดินก้าวมักคือทางเดินมักคือทางเดินพชชงก็คือก้าวเดินก้าวไปที่9 7้าเกไปตามหลักเจดเนี่ยาทางเดินท่านก็บอกแล้วว่าไอ้วิธีหรือทางเดินเนี่ยจะต้องควบคุม สังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะการทำงานทำอาชีพอยู่เป็นกรรมทุกอย่างกรรมทางการงานอาชีพกรรมทางทำทุกอย่างเลยว่ากรรมกรรมันตะทางกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเรียกว่ากรรมันตะถ้าแค่วจีกรรมก็ถือว่าแค่ภาษาคาพูดมโนกรรมก็คือในภายในจิตเลยเป็นกรรมทางในจิตเป็นพฤติกรรมอาการของจิต ก็รู้เราควบคุมไปหมดถ้าใครสามารถควบคุมจิตนี่แหละได้จึงเรียกว่าโลกุตระจึงเรียกว่าปรมัาถ้ายังควบคุมจิตสังกัปปะนี่ไม่ได้ได้แต่วาจาได้แต่กรรมมันตะได้แต่อาชีพยังไม่เป็นโลกุตระยังไม่เข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่เข้าจิตเข้าถึงจิตปรมัตธรรมนะ เพราะงั้นหลักเกณฑ์ธรรมะพระเจ้าจึงปฏิบัติถ้าจะครบองค์มรต้องถึงสังกัปปะมรกแปดสังกัปปะเพราะงั้นก็สอนกันมากทุกวันนี้อย่างที่อาตมายกตัวอย่างท่านจะคุณพรหมบัณฑิตท่านสอนได้แค่ว่าศีลก็แค่นั้นฮะจิตต้องไปนั่งสมาธิเอามันก็เลยปฏิบัติคนละเวลาคนละเรื่องคนละอย่างไม่สัมพันธ์กัน ศีนก็ไม่ได้ไปเอือ้อการปฏิบัติสมาธิเพราะศีนก็ปฏิบัติไปอย่างหนึง่งสมาธิก็มันนั่งหลับตาไปอีกอย่างนึงมันไม่เกี่ยวกันเลยนะมันไม่เกี่ยวปัญญาก็ยิ่งตัดไปเป็นส่วนไปศึกษาเอาท่านไปศึกษามาจบทางปัญญานะจบป ร, ริญญาเก้าจบดอกเตอร์โอ้จบตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้เป็นต้น เขาได้ความรู้ทางปัญญาท่านก็เข้าใจวาปัญญาคือไปเรียนรู้วิชาการเรียนรู้ปริยัติเรียนรู้เหตุผลข้างนอกมันไม่ไดไม่เข้าไปทำงานกับจิตกับศีลเลยไม่เป็นองรวมอ่าไม่เป็นองรวมไม่เป็นกายกายเป็นองรวมไม่ไม่ร่วมกันเป็นองรวมไม่เป็นอะไรอีกอะคำว่ า, าองรวมเนี่ย คำว่ า, ากายและคำว่าอะไรอีกอมันไม่ร่วมกันมันไม่เป็นหนึ่งมันไม่สังเคราะห์กันมันไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่ส่งเสริมกันมันไม่ขัดเกลากันมันไม่ทำงานทางนอกกับในเข้าไปทำมีผลต่อกันแตกันมันเลยไม่มีผลสำเร็จทางโลกุตระเด็ดขาดเลยอาตมาขอใช้คำนี้เลยไม่เป็นผลเด็ดขาดเลย นั่นถือว่าศาสนาพุทธที่เรียกว่าวิมุติเป็นแก่นไม่มีวิมุตแล้วไม่มีโลคุตระแล้วไม่มีปรมัตธรรมแล้วไม่มีแล้วนี่คือศาสนาที่บัญชีบ่งว่าพุทธศาสนาองค์กรหลักเลยมหาเมฆลัยใหญ่ที่เป็นที่ที่แพร่วิชาการสอนความรู้จริจรงๆเลยต้นหัวเรียกว่าอธิการบดีนี่เขอสอนอย่างนี้แม้ขออาภัยจริงๆเกรงใจเกรงใจ แต่ตมาจำเป็นต้องยกตัวอย่างความจริงที่มันเกิดอยู่เป็นอยู่มันดาเนินไปแท้ของสังคมประเทศชาติขณะ น, นี้มันเป็นอย่างนี้จริงอัตมาก็ขออาภัยที่ต้องหยิบมายืนยันอ้างอิงเพื่อให้เห็นความจริงว่าประเทศไทยมันไปไปยังไงมันเสื่อมถึงขนาดไหนเมื่อต้นขั้วของแหล่งการศึกษาของพุทธศาสนาเลยว่ามาหาวิทยาลัยของประเทศไทยเลยสายสาศาสนาพุทธด้วย หัวหน้าใหญ่เลยก็ยืนยันสอนสงนะสอนสงหูหเป็นร้อยนั่งฟังกันเต็มสอนพระสอนอย่างนี้ก็ถ่ายทอดกันอย่างเงี้ยที่คือความเสื่อมของศาสนาพาุทธแม่ดาพูดแล้วก็เกรงใจเกรงใจไปว่าเขาอะว่าเขาตกต่ำว่าเขาเสื่อมว่าเขาเสียว่าเขาผิด นมันไปว่าเขาอะแต่ไม่ไม่ว่าเขาไม่รู้จะทำอะไร ม, มันเป็นจริงอย่างั้นะอาตมาก็จะไปตลบตะแลงว่าดีถูกเอา้ามันไปพูดเข้าไปได้ยางไงถ้าปล่อยปะละละเลยเสียปล่อยไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปติงถ้าอาตมาพูดนี่ไปเข้าหูท่านบางอาตมาก็ว่าเป็นกุศลชนิดหนึ่งท่านอาจจะโกรธเกลเกียดอาตมาชังน้ำหน้าอาตมาก็ไม่เป็นไรแตถ่ถ้าตั้งสติบาง ท่านเป็นบัณฑิตนะพรมบัณฑิตถ้าท่านตั้งสติแล้วก็ไตร่ตรองจริงๆแล้วศึกษาใหม่ถ้าอยากรู้ว่าศีลนั่นน่ะมันมีผลมีอานิสงส์ท่านจบรเรลี่ยนก้าอา น, นิสงส์แปลว่าประโยชน์อา น, นิสงส์แปลว่าผลได้ในศีลกิมัติยสูตรศีลเลยศีลศีลศีลสูตรเลยนะท่านเรียกกิมัติยสูตรนั่นแหละท่านตรัสเรื่องศีลข้อที่หนึ่งเลย ในพระเจ้ปิฎกเล่มสิบเล่มยีสี่เล่มยี่สอัตมาจำได้กับข้อสองกิมัติยสูตรนี่อยู่ในสองข้อนี่เหมือนกันหมดพระบารีเหมือนกันแปลภาษาไทยอาจจะต่างกันไปนิดหน่อยแต่พระบาีเหมือนกันเป๊ะเลยข้อหนึ่งกับข้อ208เนี่ยชื่อสูตรกันเดียวกันกิมัติยสูตรศีลที่เป็นกุศลอย่าง ความเป็นอาราหันต์ให้บริบูรณ์โดยลําดับท่านสรุปรวมศีลเป็นผลเป็นอาราหันต์มันก็ทาให้จิตลดกิเลสศีลทำให้จิตลดกิเลสและนี่ท่านบอกศีลน่ะทำให้กายกวาดจาแต่จะให้ลดกิเลสต้องไปทำให้สมาธิแล้มันนั่งหลับตาไปอีกมันก็เลยไม่เข้ากับข้อนี้แม้แต่เนื้อหาพระพุทธเจ้าท่านปรัสว่าศีลนี่มีอเนกสงข้อที่หนึ่งอวิปปิสาร อาวิปัสสารก็คือใจไม่มีความเดือดร้อนใจอาวิปัิสารแปลว่าไม่เดือดร้อนใจก็แสดงว่าสีนี่จะต้องทำให้จิตนี่ลดความเดือดร้อนใจลงมาเรื่อยๆไม่ใช่แก่กายกับวาจาต่อจากเดือดร้อนใจแล้วยิ่งสูงไปกว่านั้นจะเกิดปา mutually แปลว่ายินดีนะแปลว่าพอใจจะเกิดความ ไม่เดือดร้อนใจแล้วก็จะจัดยินดีจิตยินดีขึ้น ต, ต่อจากปาโมชฌะเป็นปิติยิ่งโอ้อิ่มใจเต็มใจชื่นใจเลยปิติต่อลงไปอย่างงั้นมีผลทางจิตนีไอ้ที่เป็นอวิปฏิสารก็ดีปาโมชฌะก็ดีปิติก็ดีเป็นเรื่องของใจทางนั้นเลยเป็นอาการของใจทางนั้นเลย นี่คือผลประโยชน์ของศีลที่ปฏิบัติศีลจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ว่าเออพระแตนเป็นกเล่มเดียวกันท่านศึกษามามา ก, กาอาตมาเยอะแยะเลยแต่ท่านก็ยังไงท่านยังยืนยันอย่างนี้อันนี้เป็นต้นเสื้อาตมาที่เอาพูดย้ำ ม, มากมายก็เพราะว่าพูดมานานแล้วจริงๆอาตมาพูดมาตั้งโ hou ตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วยืนยันพวกนี้มามาถึงวันนี้แล้วเนี่ย คอถของในเธอะทําไมมันถึงได้มันไม่เข้าหูเพื่อนมึงเลยอยังไม่ได้เข้าใจเลยมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปยังไงกันล่ะศาสนาพุทธมันผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยโล ก, กุตระมันไม่มีจริงๆรรธรรมมันหายไปจริงๆาศาสนาพุทธเลยได้แต่แค่บังคับบังคับกายวาจาให้ดีให้ดี ดีคืออะไรก็ว่ากันไปท่านสาธิยายเก่งนะดียัางงู่นยังนี้นะเรื่องอยิมวันแม่เนี่ยท่านกสาธิยายเรื่องแม่เรื่องก็จะต้องมีแม่เป็นพรมเป็นอะไรอะไรว่าไปต่างนา น, นานดีพูดดีอ่าก็เป็นคุณธรรมเป็นมารยาทเป็นกิริยาที่ดีทั้งนั้นน่ะแต่มันจะทําได้ง่ายเลยถ้าจิตมันไม่สามารถที่จะเป็นจริงจิตไม่ได้สามารถที่จะ ประพฤติปฏิบัติได้หรือจิตมันไม่ได้ล้างตัวเหตุมันไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปแก้ไขจิตไม่รู้ตัวเหตุของจิตที่เป็นหลักธรรมของพระุทธเจ้าเลยจะต้องรู้ส ม, มุทัยของจิตส ม, มุทัยตัวกิเลสตัวตัณหาเนี่ยแล้วก็กากจัดตัวนี้อย่างจริงก็เห็นว่าเรากาจัดได้ด้วยมันต้องเห็นอย่างนั้นมันความรู้ของาศาสนาพุทธนี่มันลดหย่อนเพี้ยนไป ไปเป็นลทัทธิอะไรอื่นลทัทธิสามันทั้งโลกเขาก็สอนให้ควบคุมกายวาจาให้เป็นคนดีตามสมมุติโลกอย่างนี้เขาเรียกว่าดีอย่างนี้ก็เรียกว่าดีทำไม่ได้ทางกายทางวาจาก็ใช้วิธีกดข่มใช้วิธีระวังวปรับปรุงให้มันได้ตามรูปธรรมของกายวาจาให้มันเข้าสู่สภาพดีทั้งนั้นแหละมันเป็นวิคัมพนประหารเป็นการสะกดเป็นการบังคับ ในการบังคับใจอ่ะมันไม่ใช่ล้างกิเลสรู้เหตุเลยว่ามันไปยึดถืออย่างนั้นมันไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วแก้มันใหม่เลยเปลี่ยนตัวเหตุที่มันไปยึดไปถือไปเข้าใจไปยึดอันโอ้ยังงั้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าเผิ่ว่าเข้าใจกันไม่ถึงจริงๆไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกจะสอนกันอยู่เนี้ยจะทำกันอยู่ได้แค่เนี้ย แล้วมันก็สู้กิเลสไม่ได้ที่ว่าสู้กิเลสไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักใจได้แต่ควบคุมข้างนอกกายกวาจากดข่มมันไปเอาพลังกดพลังมากดข่มน้นไม่ได้รู้จริงๆไม่รู้จิตเลยก็มีแต่พลังนั่นะดันไม่ให้มันทำไม่ให้มันทำชั่วไม่ให้มันทำกายกรรมไม่ให้มันทำบัจีก็ไม่ให้มันทาอาชีพชั่วกดไว้เฉย โดยจิตจริงสั่งสมใส์อนุสัยเรื่อยๆเลยว่าเพราะไม่รู้จิตน่ะกิเลสมันก็เข้าไปมันก็สั่งสมตกผลึกตกผลึกสั่งสมไปเรื่อยอยากได้แต่ไม่ได้จำเป็นต้องกดข่มมันยิ่งแน่นมันยิ่งอยากได้ฝังไว้อีกอยากได้หรือแม้แต่สมสมใจในโลภสมใจในลาภสมใจในยศสมใจในสันเสริญสมใจในราคะ สมใจในโทสะถามว่าได้สมใจแบบนั้นน่ะกิเลมันอ้วนไหมกิเลมันโตขึ้นหรือมันเหี่ยวลงเขาก็ไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นคนเราจะสมใจหรือไม่สมใจยังจองเวรจองกรรมกันต่ออยู่กิเลมันแน่นมันอ้วนมันหนามันหนักมันแน่นมันโตมันมีคุณภาพของกิเลส จเริอนตลอดเวลากิเลสมันจะเริอนตลอดเขาไม่รู้กดคมนั่นแหละยิ่งกดยิ่งคมกิเลสมันยิ่งหมักหมมยิ่งเน่าในพระพุทธเจ้ า, าน่ยใช้คําว่าหมักหมมเน่าในมันยิ่งตกเป็นอาสวะเป็นตัวละเอียดที่หมักดองอยู่ในจิตแตกตัวนะมันยิ่งทํางานมันยิ่งสะสมมันยิ่งสะสมไม่ได้ล้างเลยเพราะงั้นเมื่อมันมีริดแรงขนาดหนึ่งมันก็ระเบิด กดไว้ไม่อยู่คุมไว้ไม่ได้ระเบิดจริงไปไม่รอดในขณะที่ควบคุมได้สามารถที่อยู่ในฤิดในแรงของมันอดทนเอาโดยมารยาทสังคมก็พอทำได้แต่ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างทาวรไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังฟังเข้าใจในะอาตมา เจตนาที่จะอธิบายถึงเหตุของโลกียะมันไม่พอผลของโลกียะมันไม่พอต้องมาเหตุเรียนรู้เหตุทางโลกุตระผลทางโลกุตระจึงจะเป็นศาสนาพุทธที่มีแก่นมีวิมุติเป็นแก่นเหมือนถ้าเผื่อว่าไม่สามารถทําอัตมาว่า เมื่อเช้านี้ท่านสอนสารณียธรรมหก้วยนะแล้วท่านอธิบายของท่านไปโอ้ใจใจแบบของท่านเลยนะเมตตาคายกรรมถึงวันแม่มีแพ่แม่มีพ่อโอ้เมตตากันอย่างน้นอย่างนี้ท่านอธิบายใจใจใดีดีแต่ฟังยังไงก็แค่เป็นเปลือกเปือกข้างนอกโลกีเป็นพฤติกรรมข้างนอกไม่ได้เข้าไปถึงจิตเลยท่านอธิบายไปหมดเมตตา ทางกายวาจาใจสาธารณภคีทั้งอธิบายแต่ไม่อธิบายเหมือนอย่างเราถา้าเคยไปเกื้อกูลกันสาธารณภคีแจ่งแบกแจกกันเผื่อแผ่กันแล้วมันแพ่ที่ไหนแล้วกิเลมันไม่ได้ยอมจากคุตักูของกูเลยอ่ะทั้งอธิบายไปโน่นถึงขั้นทานเนี่ยเผื่อแผ่ไม่มีทานมีอะไรจะอะไรก็ทานอยู่อย่างนั้นนะท่านก็อธิบาย ไม่ผิดหรอกคนฟังเข้าใจคนฟังรู้แต่มันไม่เข้าถึงเนื้อของศาสนาพุทธมันไม่เป็นปรมัตมันไม่เป็นโลกุตระอันนี้แหละอจตมายืนยันยืนยันย่ า, อ ย, า, ยาอยู่ว่าศาสนาพุทธมันจะเสื่อมไปนะพระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่ยุคของท่านยังอยู่ตั้งแต่ศาสนาพุทธกําลังเกิดกําลังเจริญเจริญยังไม่ถึงเสื่อมหรอก ยังจะเจริญต่อจากนั้นไปอีกด้วยซ้ำพระประธานยังไม่ยังยังมีทรงพระชนชีพอยู่ยังไม่ได้ปฏิญพานพะพุจจารอยู่ท่านก็พยากรณ์ไว้ในอนิสูตรมีตะโพนานกะมีตะโพนหรือกรองอนกะท่านพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตนเนื้อแท้ของกรองอนกะนี่มันจะสูญเสียมันจะเสื่อม มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยคนจะเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆเช่นมันชำรุดมันแตกมันหักมันปริมันริคนก็เอาไอ้เนื้อใหม่มาใส่เนื้อใหม่มาใส่เนื้อใหม่าใสจนตะพลอานกะยาวนานมาตะโพนนั้นก็ไม่มีเหลือเนื้อมันแล้วเนื้อแท้มันถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปของใหม่หมดแล้ว เพราะฉะนั้นทุกวันนี้าศาสนาพุทธจึงเป็นตะโพนอนกะชื่อเรียกว่าพุทธอยู่เหมือนเดิมเรียกชื่อตะโพนนี้ว่าอนากะเหมือนเดิมแต่เนื้อเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นาศาสนาท่องมนตมนตรยานเป็นาศาสนาอ้อนวอนเป็นาศาสนาเทวนิยมเป็นาศาสนาเนี่แหละเดรัจฉาชเดรัจฉานวิชานั่นแหละเต็มไปหมดเต็มไปหมดจริงๆเลย ไม่ได้เหลือแก่นเนื้อนเนื้อของศาสนาวิมุตต์ไม่มีเพราะหลักสูตรแท้ๆของพระจ้านั้นท่านบอกสูตรเอาไว้คือมู ล, ลสูตรเนี่ยสูตรตั้งแต่ต้นเรื่องต้นเข้ามู ล, ลสูตรมาเนี่ยมีฉันทะเป็นมูลมีมณสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงแล้วก็มีสมาธิเป็นประมุก ปฏ so well ิบัติให้ได้จนเป็นสมาธิแสดงจึงเกิดสติเป็นใหญ่ปัญญาเป็นยิ่งใหญ่ท่านกรแปลจากคาว่าอธิปไตยยิ่งท่านกรแปลมาจากคาว่าอุตระมีสติเป็นอธิปไตยมีมีปัญญาเป็นอุตระหรือหรืออุดอนหรือลุโลกุตระนี่แหละมีปัญญาเป็นโลกุตระปัญญา แล้วก็มีวิมุติเป็นแก่นมันไม่ได้ไล่มาอย่างนี้เลยมันไม่ได้ไปเกิดอย่างที่ว่านี่เลยยิ่งมาถึงวิมุตไม่ถึงไม่มีทางเพราะมณสิกานไม่เป็นแค่มณสิกานก็ไม่เป็นข้อสองข้อมูลสุดทําใจในใจไม่เป็นเพราะท่านทำแต่กายกวาจาสอ น, นแต่กายกวาจาไม่ได้สอนการทําใจสอนเหมือนกันการสอนการทําใจแต่เป็นมิจฉา มิจฉาสมาธิมิจฉ า, าสับมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่ทางของพระเจ้ามันไม่ตรงแบบที่สอนเอาไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรนะซึ่งจะปฏิบัติสัมมาสมาธิของพระเจ้าให้เกิดเอกคตานั้นต้องปฏิบัติมรรคเจ็ดองไม่ใช่มานั่งสะกดจิตแต่ให้ปฏิบัติสังกปรวาจากรรมตะอาชีวะมีวายามะมสีสติ ช่วยสมาธิสิปฏิบัติไปสังวรระวังตามสมภัติฐานสี่เสร็จแล้วก็พิจารณาสติปัฏฐานสีสมภัติฐานสี่ไม่ใช่กายในกายเวทนาในเวทน า, นนาจิตในจิตทำในทำไปแล้วก็ลดละกิเลสไปตั้งแต่ขั้นกายขั้นเวทนาขั้นจิตขั้นธรรมลดกิเลสได้จริงเป็นมณสิการทําใจในใจเป็นจัดการใจในใจให้กิเลสลดได้จริงทําไม่ได้ เพราะไม่ลงไปถึงที่เกิดไม่ไปถึงสัมภะไม่สามารถไปรู้ว่าแรงที่จะปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดให้ตายให้กิเลสตายให้จิตเกิดจิตอาเรียชนจิตอาเรียบุคคลเกิดจิตสัตว์นรกจิตอกุศลตายไม่เข้าไปถึงตรงนั้นไม่เข้าไปถึงไปนั่งหลับตาสมาธินั่นอัตมาก็พูดจนกระทั่งเมื่อยแล้ว มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ภาคปฏิบัติสมาธิของพุทธมันเป็นการใช้ประกอบเป็นอุปการะอุปการะใช้อย่างมากที่เป็นประโยชน์มากก็เตวิชโชไปนั่งสมาธินั่งสงบแล้วก็ตรวจสอบระลึกถึงของเก่าที่เราผ่านมาบุเพนิวาสานุสติญาณเราได้ปฏิบัติอะไรมาบ้างมีเหตุการณ์อะไรใดเกิดขึ้น กายวาจาใจของเราทุกอย่างหรือตรวจสอบอย่างมากองแปดนี่แหละเราจะได้ทําสังกัปปะเป็นสัมมาไม่ได้ทําวาจาเป็นสัมมาไม่ได้ทํากรรมมันตะเป็นสัมมาไม่ทาอาชีพการงานเลี้ยงชีพนี่เป็นสัมมาไม่อยู่ในความเป็นสัมมารหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ตรวจสอบแต่ถ้าเผื่อว่าเราตรวจสอบก็คืออย่างเนี้ยนั่งพิจารณาตรวจสอบเหมือนลงบัญชีอ้อเราได้ปฏิบัติ เอออันนี้ปฏิบัติถูกต้องทําสังกปะทันวจีทันกรรมันตะทันอาชีพทำทั น, ท, นทันมันจะตั้งถึงข้างในจิตเราข้างในทําได้ล้างกิเลสได้เอออ่านออกรู้จักจุดตูป ป, ะปะตะาตญาณรู้จักมีญานอ่านจิตเจตสิกว่าอะไรเกิดอะไรตายจุดตูปะปาตะจุดตูก็ตายจุดติ อุปาอุบัติก็เกิดเออจิตกิเลสตายจิตเป็นกุศลเกิดเราก็เห็นจิตเกิดจิตตายจนหมดอาสวะอาสวะขยายานจนรู้ว่าเออเราได้ปฏิบัติอาสวะเราหมดแท้นั่นก็คือการตรวจด้วยจะใช้เตวิโชสมาธิในข้างในนี้อ่านก็ได้เป็นอุปการะมากเลยต้องตรวจสอบด้วยไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเราได้ไม่ได้ ได้จริงไม่จริงได้แน่นอนไม่แน่นอนมีเหตุการณ์จริงเกิดเมื่อไรทําผิดพลาดเมื่อไรหรือว่าทําได้ดีเมื่อไรแข็งแรงขึ้นหรือยังเมื่อไรไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเลยที่ไม่ตรวจสอบนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติเตวิโชอย่างที่อาตมากกล่าวไปนั่งสมาธิรับนะปฏิบัตินั่งหลับตาเข้าไปแล้วก็ให้จิตสงบสงบจิตไม่มีกิเลสแต่ในตอนจิตที่อยู่ในพะวังเนี่ยอยู่ในภ พ, พนี่แหละ ใหม้มีกิเลสมีวิธีสะกดไปโดยใช้กสินกระหัจิตเป็นจาะอยู่กรสินจิตก็สงบลงแล้วก็ได้ความสงบแล้วก็ถือลลว่าผลละดีไมด่ดีดับจิตเลยนิโรธ ด, ดับไปเลยถือว่าผลได้แค่นั้นน่ะไม่ได้เกิดการรู้การสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรเลยมีสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นสมุทยัย พิธีปฏิบัติก็ต้องมีสัมผัสเป็นสมุทยัยเป็นเหตุที่จะต้องปฏิบัติธรรมมาพระพุทธเจ้าในมูลสูตที่พูดไปเมื่อกี้มีมณสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุในการปฏิบัติให้เกิดเสร็จแล้วมันสัมผัสแล้วมันก็จะประชุมลงหาเวทนาแล้วก็อ่านเวทนาแจกเวทนามีมนโนปวิจารณ์สเป็นโล ก, กีอย่างนี้เป็นโล ก, กุตระอย่างนี้ทางตางหูจมูกริ้นกายใจ มันกระทบมันสัมผัสแล้วมันเกิดกิเลสอย่างนี้ทําให้กิเลสออกได้งี้เรียว่าเนกขมสิทธภาวนามีมนโนปวิจาร์อ่านพฤติกรรมมนโนปวิจาร์ก็คือพฤติกรรมของจิตอาการของจิตอ่านมันออกทั้ง18บแยดไเป็นโลกีเรียกว่าเคหสิตธะเกิดทางตาก็เป็นโลกีเกิดทางหูก็เป็นโลกีเกิดอะไรมันสุขมันทุกข์แบบโลกีอีกสสุขทุกข์ก็ไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกข์สอย่าง นี่ทังตากตราะตกมันก็เกิดสุขทุกข์หรือไม่เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็อ่านมันออกทุกอาการทุกเวลาแล้วเราก็ได้ลดกิเลสในขนาดที่มันเกิดอาการพวกนี้เรียกว่าเนคขมะลดลงได้ลดลงได้คุณไม่ได้มีเวทนาอย่างนี้คุณทําเวทนาแก้ไขเวทนาในเวทนานี้คุณทําไม่เป็นมันประชุมลงไปในเวทนาแล้วมันประชุมลงไปในนั้นแล้วนะแล้วคุณก็ได จัดการเรียกว่าสังขารอภิสังขารจัดการกับมันลดตัวเหตุมันคุณไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำก็ไม่มีทางที่มันจะตกลงมาเป็นสมาธิที่เรียกว่าประมุกตามมูลสูตรเปฒนาเป็นที่ประชุมลงคือเป็นที่จัดการเป็นที่ทางานเลยเป็นที่ล้างกิเลสเลย ต้องอ่านในเวทนาในเวทนามีมโนปวิจารณ์อย่างที่ว่าเนี่ยรู้มาหมดละแต่เวทนาสองเวทนาสาเวทนาหาเวทนา6เวทนา18ต้องรู้อาการของเวทนาลักษณะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆแล้วก็ล้างกิเลสได้มันไม่รู้มันไม่ได้ทําจริงเพราะฉะนั้นสมาธิที่เกิดจึงไม่เป็นจริงสมาธิไม่เป็นสัมมาสมาธิอย่างนี้ เมื่อไม่เป็นสมาสมาธิก็ไม่ต้องไปหวังว่าสติปัญญาจะเป็นสติสัมมาจะเป็นปัญญาสัมมามันไปนอกทางหมดเพราะฉะนั้นวีมุตดหมดหวังไม่มีหวังเพราะไม่มีทางทางมันผิดนี่อาตมานํามาแจกแจงเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะข่มเบ่งว่าเรารู้เรา ไปดูถูกดูแคลนไปอวดดีอวดดีเกินหน้าเกินตาท่านใหญ่ท่านเป็นพระพรหมอาตมาเนี่ยเป็นพระโพนั่นเองพระพรหมอาตมาเป็นพระโพแก่พระโพเท่า น, นั้นเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเบ่งไปคมอะไรเลยแต่ขออภัยขอบคุณท่านที่ท่านสอนแล้วก็อาตมาก็ได้หยิบมาเป็นเหตุปัจจัยในการอธิบายยืนยันความจริง ที่เจตนาเอามาอธิบายี้เพื่อยืนยันความจริงว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยผู้นำทางศาสนาผู้มีอิทธิพลผู้ที่มีฤทธิ์มีเดช ท, ที่จะแพร่ศาสนาแพร่ความรู้แต่แพร่ไม่ถูกมันเป็นผลเสียไหมศาสนาไม่เสื่อมตอนนี้ไปเสื่อมตอนไหนอย่างนี้เป็นต้นข้อพระอัตมาพูดแรงพูดชัดพูดตรง ก็ขอไปเกรงใจจริงๆแต่ไม่รู้จะทำไงมันเลี่ยงไม่ออกสี่สิบกว่าปีแล้วไม่บังอาจขนาดนี้วันนี้วันแม่วันงานวันแม่ขออนุญาตบาดคําขออนุญาตบาดคําขอประทวงหรือตำหนินิคันเหนนิคารหัง ตำหนิสิ่งที่ควรตำหนิขอบังเถอะนะให้เป็นประโยชน์บางนะเทตมาพูกนี้มันไม่ได้เรื่องหลัก้อยไมไ่เป็นเรื่องลอยลมถ้าใครเข้าใจแล้วจะเห็นว่าเ ม, มืองไทยมันมันลำบากมากเพราะระดับมวนหน้าผู้ที่จะนำพาศาสนาไปป่านนี้ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนำพาไปออกนอก สแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธอยู่อย่างเงี้ยถือว่านอกขอบเขตพุทธเพราะมันไม่เข้าทางประมัดมันไม่เข้าหากอิมุดมันไม่เข้าหากแก่นมันอยู่แต่ผิวเผินข้างนอกเหมือนอย่างที่ไม่ใช่พุทธเกิดาศาสนาพุทธทําไม่เกิดคนก็ก็ต้องเรียนรู้กรลยานธรรมอยู่ดีเพราะจะต้องมีผู้รู้ผู้ที่ปรารถนาดีต่อสังคมสอนมีาศาสดาเกิดอยู่ตลอดเวลาแหละ แล้วเขาก็สอนลัทธินั้นลัทธินี้เกิดศาสนานั้นศาสนานี้แต่มันไม่เป็นปรมัตมันไม่เป็นโลกุตระฟังให้ดีนะครับว่าปรมัตคำว่าโลกุตระเนี่ยตมายำแล้วย้าอีกเนี่ยมันไม่เป็นเมื่อมันไม่เป็นมันก็ไม่ได้ศาสนาที่เข้าไปถึงจิตเจตสิกไปแก้ไขที่ต้นทาง ต้นทางอริยสัจสมุทยัยอริยสัจมันไม่เข้าไปแก้ตรงนี้เมื่อไม่เข้าไปแก้ตรงนี้ความสำเร็จทาวรไม่เกิดมีผลดีไม่สอนอย่างโลกโลกมีผลดีชั่วคราวผลดีชั่วคราวไม่ช้าไม่นานวนเวียนยิ่งทุกวันนี้เนี่ยศาสนามัน 2,600 ปีแล้วของศาสนาพุทธ มันเดินทางมาถึงวันนี้เสื่อมมาตลอดสายมาถึงวันนี้มันเลยอาตมาพูดอย่างไม่เกรงใจว่าศาสนาพุทธโลกุตระสูญไปแล้วจากวงการศาสนาพุทธจากวงการนะแต่มีแต่พวกที่อยู่เขาคัดออกนอกวงการด้วยคือพวกเราเท่านั้นที่มีศาสนาพุทธ จริงๆเราไม่ได้ถูกคัดออกเรเราลาออกมาจริงๆบอกลราขอออกมานอกเถอะเพราะว่อยู่ในกับคุณเรเสร็จอีดางแน่นอนเราเลยขอลาออกมาอยู่นอกเขาก็มาทำเทอะเปหิพุทธอะเปหิพวกอโศกออกไปจากาศาสนาพุทธนะขับไล่ออกไปาศาสนาพุทธโธเราปฏิบัติตามธรรมตามวินัยของพระเจ้ามาเป็นนานาสังว่าเราขอลาออกมาเอง ขอแยกทางทาเป็นหลักฐานมีหลักฐานมีอักษรมีลายลักษ์อักษรยืน่นมีคำพูดประกาศต่อหน้าสงฆ์ถูกต้องตามธรรมวินัยทุกประการยอมรับเลยนะตอนแรกรับรองหมดเลยว่าเราอยู่นอกปกครองสงฆ์มีหลักฐานด้วยอาโเราอยู่นอกปกครองสงฆ์วันรายคืนรายดึงเรากลับไปอีกไปจัดการเราอีกว่าเรายังอยู่ในสังวาสเดียวกัน ทั้งที่เราลามาออกมาเป็นนานาสังวาสแล้วแล้วมันก็มาปรับอธิกรเราอีกมาปรับผิดเราตั้งข้อหาพิจารณาคดีเราซึ่งหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มาตามหลักธรรมวินัยพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพิจารณาความเราเลยแต่ก็ทำเราก็ต้องยอมเพราะเราเล็กและเราก็ไม่ใช่คนดื้อคนด้านยอมรับทุกอย่างเลยจนพ่ายแพ้สารพัด ดีแต่ ว, ว่าแพ้ก็แพ้ชะตาสามแต่ดวงใจทรงความมั่นคงจริงๆเลยนะและเราก็จงกระตั้งถูกภาวะของเหตุปัจจัยธรรมชาติจัดการมาออกจงกระตั้งมาถึงวันนี้เลยมีอิสระสมบูรณ์เต็มทีแต่ขนาดนั้นเขาก็ยังบอกว่าเอ็งอย่ามาใช้คำว่าพุทธเอะพุทธนี่เขาไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไว้อัตมาก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาไปจดทะเบียนที่กรสิทธิ์พุทธไว้ของของเขาทั้งๆหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกคนไม่มีสิทธิ์ไปจดทะเบียนที่สิทธิ์ของคุณหลอกอย่ามาทําไปตีกินเพราะงั้นคุณพูดก็พูดไปเราไม่มีสิทธิ์ไปใช้คําว่าพุทธคุณมีสิทธิ์อะไรอไปฟ้องศาลโลกก็ได้เอา้าไม่มีสิทธิ์หรอกเออ ขอัยพูดมันเหมือนโยนโยนเนาะ <c oughs> พูดไปแล้วมือนโยนโยนอาก็กลับมาสู่เนื้อหาอีกทีหนึ่งว่าพวกเราเชาวอสโศกนี่ได้ออกมาปฏิบัติตามที่เรามีความรู้ความเห็นความเชื่อมันมาทิฏฐิที่ถูกต้องเลวสมาทิฏฐิเป็นเช่นนี้แล้วเราก็นําพากันปฏิบัติจนกระทั่งเกิดพูดจริงๆเลยเกิดมรรคเกิดผล เกิดการถึงขั้นโลกุตระถึงขั้นปรมัตตธรรมมีการลดละกิเลสได้จริงพวกเราเองแต่ละคนฟังอัตมาไปเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าเออเรารู้จักจิตเจตสิกจริงไหมเวทนาต่างๆในขณะที่เกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โลกราคะเกิดในใจเป็นเวทนาแล้วเราก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติจนเห็นจริงว่าเวทนามันลดอาการที่เป็น เหตุที่มันให้สุขเหตุที่มันให้ทุกข์เราก็ทาให้มันลดลงได้ลงได้เราก็รู้ว่าเออเหตุของมันคือตัวนี้อาการอย่างนี้ในใจเรานี่แหละมันลดลงจริงๆนะเห็นจริงเข้าใจได้จริงเลยไม่ได้ผิดไม่ได้เพี้ยนตัวใครตัวมันตัวสอบเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองของจริงเองมันมีสิ่งที่ยืนยัน นอกจากเราทาได้แล้วมันจะนำพาให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบอกว่าไมโนมันได้ก่อนแล้วมากายกรรมวิจีกรรมจนการเลี้ยงชีพวาจากรรมตะอาชีวะเราก็รดละถูกต้องตามธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ยัง่งไม่ยือ้อไม่ชิงไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเอารัดมามากน้อยมาสันโดด ตรวจสอบตามธรรมวินัยพุทธเจ้ากระทาวัตถุสิบเป็นต้นหลักการตรวจธรรมวินัยแปดข้อเป็นต้นวันณะเก้าเป็นต้นเอามาตรวจสอบแล้วมันก็เข้าหมดเลยเป็นไปเพื่อความมาักน้อยสันโดษอย่างกระทาวัตถุสิบอปิชฉสันตุธิปวิเวกะอสังสักขวิริยรัมภะ แล้วก็มีสีนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนะอีกห้าหาีนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนอนันต์อภิชาสัตว์ทีปวเวกอาสังสขาวิริยานภะนีิก็ห า, าอปิชาคืออะไรมักน้อยมันมักเอาหน่อยๆนอยมันหมไปมักเอาหลาย ชัดๆภาษาง่ายๆมักน้อยภาษาไทยก็เหมือนกันภาษาอีสานก็เหมือนกันมักเหมือนกันน่ะมันชอบจากนั้นน่ะมักก็คือชอบคือเอาน้อยน้อยมันไม่ไปมักมากมันไม่มักเยอะมักใหญ่ไม่ไม่มักรวยมันมักจนอัตมาทึกแปลอภิชาวากล้าจนคนมาจนมักน้อยนี่คนมาจนไม่ใช่ไปมารวยก็หลักฐานพระเจ้าตรัสไว้ชัดๆน่ะ แล้วก็พอสันโดษก็พอเขาก็ไปแปลเพี้ยนเบี้ยวบาลีว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่อัตมาก็พูดแดกดันว่าก็ไปถามบินเกตดูซิว่า ม, มันพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ม, มันมีตั้งไม่รู้กี่ล้านล้านนะ่ะมันพึงพอใจไหมมันก็พอใจไปถามทักษิณก็ได้ว่าทักษิณมีมากมายขนาดนั้นนะเขาพอใจในสิ่งที่เขามีไหมเขาก็พอใจ มันสันโดดแล้วเลิมมันตะกละตะกลามอย่งางไรดีมันจะเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะเอาหมดบ้านหมดเมืองอย่างนี้เป็นต้นคือไม่เข้าใจศัจจธรรมไปแปลบาลีเพี้ยนเบี้ยวออกไปหนึ่งอาตมาถือว่าเบี้ยวบาลีมันไม่ตรงเขาก็ไม่ฟังเพราะเขา เ, อาา เ, ขาเบาอาจารย์เขาเป็นครูบาอาจารย์เขาสอนตามตา ม, ตามกันมาเขายึดถือตามกันมาเขาถือว่าเรานี่นอกพุทธเขาบอกเขา เอเป็นหีออกเราออกจากนอกพูดแล้วเพราะฉะนั้นพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังคนก็เชื่อกระแสหลักเชื่อมูใหญ่เชื่อคณะใหญ่เราคณะเล็กเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นจึงเป็นการคัดเลือกคนที่จะมาเชื่ออโศมาเชื่อกลุ่มเล็กเนี่ยต้องคนมีปัญญาเพราะอะไรเพราะมูลเล็กนี่ไม่หลอก ไม่หลอกไม่โฆษณาไม่บังคับไม่หาเสียงเออยิงยิงซะด้วยพระเจ้าเมื่อได้โฆษณาไม่ได้หาเสียงไม่ได้หลอกไม่ได้ล่ออะไรคนก็จะต้องมีญาณปัญญาเห็นเองมาพบเองมารู้จักเองมาเห็นเอง แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเองว่าเฮ้ยอันนี้เข้าท่าว่ะอันนี้ใช่ว่ะโอ้อันนี้ดีแฮะเออลองลองดูก็ได้ก็มาลองปฏิบัติตามลองอยาง้งก็ลองมาแล้วก็เลยยิ่งดีเลยได้เทียบกันยิ่งมีปัญญารู้ว่าเออมันเป็นไปเพื่อทำพระพุทธเจ้ามักน้อยสนโดใจพอวิเวกพวิเวกก็อาเขาแปลแปลกันิด นะวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็ไปแปลว่ากายวิเวกก็คือนั่งนิ่งแข็งทื่อนี่คือกายวิเวกจิตวิเวกก็คือจิตจุดไม่ทําอะไรเลยนิโรดดับปีนี่วิเวกอุปธิวิเวกก็คือกิเลสมันสงบไม่รู้จักแต่รู้ภาษาบอกกิเลสสงบ แต่คุณรู้จักตัวกิเลสไมหมล่ะที่อาตมาพูดไปในี่เขาไม่ไดนกิเลสเลยเขาไม่ได้ทําให้สงบได้หรอกเป้องเขาก็ได้แต่กายวิเวกคือจิตนิ่งไม่กระดุกกระดิกไม่ใช่กายวิเวกก็คือกายร่างร่างขระหนกนิ่งไม่กระดุกกระดิกจิตวิเวกก็คือจิตไม่คิดอะไรแล้วดับปีด้วยนิโรธสงบดับปีไม่ออกมาทําการอะไรเลยนั้นวิเวกของเขาได้แค่นั้นกิเลสวิเวก อุปติวิเวกบไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆขอยืนยันเลยอาตมากล้าพูดตรงๆเลยเพราะเมื่อไม่รู้จักกิเลสแม้แต่คำว่าสักกายะคือตัวตนกิเลสตัวแรกตัวอยากคุณก็ไม่รู้ว่าพลสักกายทิถิคืออะไรพลวิจิชชาคืออะไรพลศิลปตปรา마ทาคืออะไร ก็อธิบายกันไม่ออกอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะไม่รู้ความจริงข้อพายที่อัตมาพูดไปแล้วมันเบ้งเบงมือนกับตัวเองโอ้โหรู้มากข่มคนอื่นมือนก็ตัวเองรู้ๆเกรงใจจริงๆเลยพูดไปแล้วมันก็เบ่งตัวเองมารู้เขาไปข่มเขาอะมันเกรงใจไม่อยากทํานะแต่อัตมาเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางเลือกที่จะไม่พูดเช่นนี้มันถึงวันนี้แล้วอัตมาก็8ปบอ็ดแล้วนะอายุย่างครับ แล้วจะกระดุกกระเดือกให้มันไปถึงห้าห้าส็ดนี่ยมันก็พูดไปอ่ะมันจะถึงหรือไม่ถึงยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นมันจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เราคนเราอายุแปบอ็ดนี่เขาเตรียมลงกันแล้วเป็นคนทั้งโลกเขียนบินักรรมหมดแล้วแต่อาตมาไม่มีพินักรรมอะไรจะเขียนเพราะไม่มีสมบัติอะไรจะมอบอาจจะเขียนว่าเออร่างกายอาตมานี่ตายแล้วนยะอย่าเอาไปขายนะลูกเอ้ยอาจจะเขียนพินักรรมว่าเ ง, งิน อย่าเอาร่างกายเน่าๆของพ่อนี่ไปไว้ขายกันแล้วกันนะอาจจะเขียนบนพินักรรมว่างันเผาจะเถอะตามธรรมเนียมพระพุทธเจ้าแท้ๆ ท, ท่านทาร่างกายท่านจะเอาไว้ขายกินนะได้เยอะกว่าเราเยอะท่านยังให้เผาเลยเลยเพราะงั้นร่างกายของโพธิที่รักแค่นี้นะ่ะเผาเถอะนะลูกนะอย่าเอาไว้เลยอาจจะเขียนกับพินัยกรรมอย่างนี้ก็พออ เพราะงั้นในวันนี้เนี่ยอาตมา ก, ก็ป่านนี้แล้วอายุป่านนี้แล้วยังไงยังไงก็ขอบังอาจเถอะขอพูดแรงๆขอพูดชัดๆขอพูดตรงๆจะไปซัดนางแงใครมั่งก็ต้องขออําพายหุ่นตระกูลเพราะคุณอําพายหนะักขนตระกูลหุนตระกูลก็ขออําพายหุ่นตระกูลก็แล้วกัน คุณหนูอยู่ที่สตินอนตอนนี้นงอแงงอแงกังงงกกนนะั่นอ่ะก็ดีก็ใจเอาใจใส่เรื่องธรรมะดีก็คงตายด้วยกันนี่แหละอยู่มาตั้งแต่โอ้ลาออกมาจากงานเป็นครูอยู่จนป่านนี้งอแงก็แงอกอยู่ก็ว่าไปตามปราษาก็แม่นมันดีมันเนี้วแน่นดีกับธรรมะ พวกเราได้พยายามศึกษาเรียนรู้มาจนกระทั่งยืนยันขายืนยันว่าเรามีโล ก, กุตระเรามีปรามตธรรมกันมีมั่งมีผลจนมีรูปร่างอย่างนี้กลายเป็นสารณนยธรรมแบบโล ก, กุตระไม่เหมือนกันกับที่ท่านพระบัณฑิตท่านอธิบายเมื่อเช้าอธิบายโลกสารานยธรรมของท่านซึ่งเป็นโล ก, กีธรรมดายังไม่เข้าใจถึงแก่นถึงเนื้อถึงปรามัด ถึงโลกุตระอะไรอัตมาว่างั้นนะคอภัยพูดไปกบเกรงใจพระบัณฑตศา ส, สตราจารย์ดอกเตอร์ปรเปลี่ยนก้าวอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โอ้โหใหญ่แง่เทียบกันแล้วนี่มาติดฝุ่นเลยอัตมาแล้วเท่าทุลีละ อ, องท่านท่าภูเขามันเกรงใจจริงๆอวดดิบอวดดีโพธิรักษ์เนี่ยพูดไปแล้วก็หน้าอ้วกแต่ จริงอาตมาพูดไปก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ไม่รู้ทําไงก็ได้แต่ขออภัยขอโทษขอโพยกันอยู่เงี้ยมันไม่มีทางเลือกมัน ม, มีทางเลี่ยงจริงๆที่อาตมาจะพูดมันก็จําเป็นเพราะถ้าไม่พยายามจับมาชนกันให้เห็นเปรียบเทียบกันให้ชัดเลยนะมันก็ไม่รู้กันสักทีนะมันก็เลยอยู่อย่างงั้นนะ่ะ เพราะงั้นวันนี้อตาตมาก็พูดในวันแม่ก็เคอขออาหางการพูดกันจัดจัดรแรงๆหน่อยนะเฉลิมฉลองวันแม่วอท่านแ ม, แม่ทั้งหลายแหละฟังเอ า, ารับรู้ไปเอาไปปฏิบัติประพฤติให้มันได้โลกุตระให้มันได้ปรมัตรธรรมมันจะได้เป็นพุทธศาสนาพุทธอยู่ นมันเป็นพุทธอยู่แท้ๆไม่งั้นมันก็ไม่เหลือพุทมันเป็นตกลองอานกะอย่างที่อาตมาพูดไปที่พระเจ้าตรัสตัดพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ทั้ง่ยังไม่ปฏินิญญาศาสนายังไม่เสื่อมท่านก็บอกมันจะเสื่อมมันจะไม่มีโลกุตระแล้วจะพูดโลกุตระไปเขาก็ไม่ฟังเขาจะไปฟังแต่าภาษาไพเราะเพราะพิ้งที่นั่นแหละท่านพูดกัเพราะถ้าพูดกันดีละเอียดดีน่าฟัง อาตมาพูดแล้วมันพ่ามันน่ากลัวอาตมาพูดแล้วมันโขกโขกกิเลสนะ่ะมันคนก็ไม่ค่อยอยากฟังมันเจ็บมันโดนเปี้ยงเปียงไม่ค่อยอยากฟังต้องพูดเขานิประนอมปล่อมไม่เข้าไปหากิเลสเลยคนมันก็ฟังดีฟังถูกกิเลสเบียงเปีย ง, ยงมันก็ไม่อยากฟังทนเอาเถอะ ถูกกิเลยังไงแล้วยิ่งดีเลยยินดีที่ว่าโอ้โหนี่ถูกกิเลแล้วเปรี้ยงๆ เ, เลยโอโ้เจ็บแสบโอโ้เอาเอทนเอาฟังให้มันรู้แล้วก็จะได้ล้างกิเลตัวนี้ไอ้เข้าใจว่ามาถูกกิเลตเรานะ่ะดีแล้วแต่คนฟังส่วนมากไม่ไม่ฟังแล้วรู้ว่าถูกกิเลตนะฟังแล้วเอาตัวตนมารับแล้วถูกแต่ตัวตนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัว ต, วตนคืออะไรตัวตนก็คือกิเลต ตัวตนก็กิเลสกิเลสไม่รู้ว่าถูกกิเลสแล้วเอาตัวตนมารับตัวตนเป็นยังไงตัวข้าใครอยากแตะตัวตนใครยังมาว่าใครยมาแตะพอแตะเขาก็เลยโกรธเลยกิเลสมันทำงานเลยเพราะฉะนั้นอยากามฟังอัตมาได้เอาตัวตนมารับเนเอาตัวตนมารับแล้วไม่ทำงานเลยเนี่ยยังนี่เสียหาย นะฟังอย่างเอากิเลสมารับอย่าวเอาตัวตนมารับฟังอย่างไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสนะ่ะค่อยๆฟังนะนี่ใ ช, ใช้ภาษาสื่อไปถึงสภาวะไปถึงความจริงนะทำกเข้าใจให้ดีนะี่นตอนนี้เนี่ยอาตมาว่าพวกเราเนี่ยนะเมื่อกี้ขันดินก็บอกว่าที่ที่สา ส, สาโศกเนี่ยคนเยอะนะ แม่แต่บอกว่า เ, าเปิดขายปุ๋ยตั้งแต่วันที่เจ็ดก็ยังคนเยอะเลยบรรดาตั้งใจจะขายให้มากเพราะเคยได้มากเปิดขายวันที่เก้าเลยจำไปไม่แต่วันที่เจ็ดผิดเป้าเลยไม่ได้คนไม่มากตั้งหมายแต่ที่นี่คนมากเออบุญจริงๆดีคนมากก็ดีแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุธมมาวัดมาบ่อย มาฟังธรรมโดยเฉพาะมีสมณะผู้รู้มีสัตบุรุษมีผู้สามารถจะถ่ายทอดโลกุตรธรรมถ่ายทอดธรรมะที่เป็นแก่นยังมีเนื้อหาสาระของพุทธอยู่มันเข้ามาวัดมันเข้ามาพบพระม า, มาวัดนี่เป็นถ้าไม่มาวัดไม่มันมาวัดไม่มันมาพบพระพบเจ้ามาพบสัตบุรุษนี่เป็นความเสื่อมประการที่หนึง ประการที่สองมาวัดแล้วไม่ฟังธรรมไม่ฟังธรรมไม่เงี่หูไม่เขานั่งใกล้ไม่เงี่หูสนี้เงียเง่ยโสสดับไม่มาฟังไม่มาทำความรู้จากที่ท่านพูดท่านสอนไม่มาฟังก็มาวัดสูญเปล่าดีว่ามาวัดมาพบภิกษุแต่พบแล้วคอหวยอย่างเงี้ย มาพบแรกก็มาทำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเดี๋ยวนี้มีก icos, yes, ิจกรรมในวัดเยอะแยะเลยเป็นเรื่องหาเงินหาทองเป็นเรื่องมอมเมาเยอะไม่ได้มาฟังทำเพราะเรามาวัดนี่อย่าไปรังเกียจมานี่ยจะให้จะฟังทำไม่คนนั้นเทศคนนี้เทศอาตมามาก็ไม่ต้องมาทําอะไรเราให้มาเทศแต่ก็เรียกกันมาฟังทำนี่แหละเนื้อแท้เพราะมาวัดมาพบภิกษุแล้วก็ฟังทำ ฟังทำแล้วก็จะเจริญในอธิศีนนี่ข้อที่สามฟังทำแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อปฏิบัติศีลอย่างนี้โอ้เข้าใจแล้วปฏิบัติศีลให้เกิดอธิจิตและจิตจะเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้มีปัญญาร่วมช่วยมีศีลกับปัญญาร่วมกันทําให้จิตนี่มันเจริญขึ้นมีศีลเป็นแม่มีปัญญาเป็นพ่อร่วมกันทําให้จิตมันสะอาดขึ้นกิเลสลดลงลดลงสร้างจิตนี่เป็นลูกลูกเนี่ย พ่อแม่แม่เป็นศีลเพราะปัญญาเป็นพ่อทำให้จิตนี่มันเกิดเป็นลูกลูกทางจิตจิตเราเกิดเกิดเกิดลดละกิเลสลงอย่างนี้เป็นการเกิดของพระเจ้าเป็นการเกิดทางโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณแท้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังทำแล้วเข้าใจศีลแล้วไปปฏิบัติศีลใหเกิดลูกเกิดโอปปาติกะโยนิคือจิตเราเอง เกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นจิตลดกิเลสลงได้เอออย่างนี้จเจริญในอธิศีนไม่เสื่อมในข้อที่สามแต่ถ้าคุณมาฟังธรรมเออมาวัดเหมือนกันไม่เสื่อมมาฟังธรรมเหมือนกันไม่เสื่อมก็อสองแต่ไม่เข้าใจวะปฏิบัติศีลไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดอธิศีนไม่เกิดจเจริญในศีลอธิสินในทจิตอธิปัญญาคุณก็ยังเสื่อมข้อที่สามอยู่ฟังให้ดีนะคุณมาเนี่ย ตอนนี้กำลังฟังธรรมนี่กำลังเจริญอยู่ข้อที่สองแล้วนะไม่เสื่อมข้อที่สองแล้วนะแต่ข้อที่สามจะเจริญไม่เอ่ยฟังธรรมแล้ววันนี้ไปบ้านกลับไปเออเจริญด้อัิศีินเราไม่เสื่อมละวุ้ยถ้าคนไม่เสื่อมข้อที่สข้อที่สามแล้วข้อที่สี่ก็จะไม่เสื่อมแต่ถ้าเสื่อมในข้อหนึ่งก็ยังเสื่มข้อสองก็เสื่มข้อสก็เสื่มข้อสี่ไปใหญ่เลยคืออะไร ไม่เคารพภิกษุจะฟังทำไปกฟังไปอพูดผิดไม่เคารพฟังทำเพ่งโทษโอพูดไม่เคาท่าฟังทำเพ่งโทษภิกษุผู้ใหม่ผู้เก่าผู้แก่ผู้อ่อนผู้กลางอะไรภิกษุเพ่งโทษไปเรื่อยข้อไปไม่ใช่เพ่งทั้งโทษไม่เคารพก่อนข้อสีไม่เคารพข้อห้าถึงฟังทำเพ่งโทษ ข้อหาถึงฟังทำเพียงโทษข้อสีไม่เคารพลวไม่สัทธาเลื่อมใสลวมาก็อย่างนั้นมาวัดมาพบพระไปมาอะไระไปเสร็จแล้วไปเคารพพระอะไรไหมให้หวยเก่งอ่าพระให้น้ำมนตพระให้อะไรก็แล้วแต่ไปทางโล ก, กีย์ออกนอกลู่นอกทางนอกพูดไปหมดไม่ฟัง้ะท่านจะสอนโลกุตระอันน่าฟังไม่ฟังไปฟังในคปาประหลาดปลม อายุวันโนสุขางพลังค่อยเจอดยนื้รวยๆนะไม่รวยรวยรว ย, ว ย, ว ย, ว ย, วยลาบรวยยอนหน้าเลยเตะป้ายหมดไม่ได้เป็นธรรมะขัดเราอะไรเลยมันเจงอย่างเงี้ยเพราะความเสื่อมข้อสี่ไม่ศรัทธาไม่เคารพในภิกษผุผู้ผู้ผู้เป็นเทระผู้เป็นปานกลางผู้เป็นผู้ใหม่อะไรก็แล้วแต่ไม่เคารพทั้งนั้นะ นัดเข้าก็าห้าฟังธรรมเพ่งโทษเลยเฮ้ยเทศอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ทีท่ทเทศโลกุตระเลยเพราะไม่รู้เพราะออกนอกพุทธเสื่อมหนักเลยนี่ข้อห้าฟังโลกุตระธรรมเป็นธรรมะไม่เข้าหูแล้วก็ไปชอบธรรมะอื่นละข้อหแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธใช่เลย ไปสแสวงบุญในราชานวิชาทำเรื่องหลาบยศสันเซินโลกียสุขทำอะไ ร, รอะไรเล่เท่เทเรื่องออกนอกาศาสนาพุทธนอกแก่นนอกเนื้อไปเลยข้อเจ็เป็นการเสื่อมสมบูรณ์แบบคือาศาสนาพุทธแต่ชื่อแต่ตัวเองเคารพศาสนาอื่น นับถือศาสนาอื่นเช่นนับถือศาสนาเงินนับถือศาสนาลาบยศสันเสริญลกีสุขนับถือศาสนาที่มันคล้ำครึโบราณเอาแต่จารีตประเพณีหรือว่าดีไม่ดีก็เป็นเรื่องเดรัจฉานวิชาไปเลยมีไหมในสังคมวัดต่างๆมีไหมเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย มันเป็นอย่างนั้นจริงจิเงเพราะงั้นที่พูดไปนี่เห็นไหมว่ า, าศาสนาพุทธไม่เหลือแล้วสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธไปหมดแล้วไม่ได้เคารพศรัทธาเลยโล ก, กุตรธรรมไม่เคารพดูถูกด้วยหาว่านอกรีดหาว่าพวกนอกเคารพไอ้ที่มันไอ้ที่ไม่ใช่พุทธเป็นพุทธไอ้ที่เป็นพุทธไม่เคารพ เพราะงั้นขอพูดตรงๆเลยใครไม่เคารพโพธิรักแล้วก็ไปเคารพสิ่งที่ยังไม่ใช่โพธิรักนั่นล่ะคือคนเสื่อมข้อที่เจฟังเข้าใจไหมคนที่ไม่เคารพโพธิรักนั่นไม่สักการะก่อนโพธิรักไปสักการะพระที่อธิบายผิดๆนั่น ไอ้ที่ว่านอกรีดเนี่ยไม่ใช่นอกไปเคารพศาสนาที่ไปเคารพศาสนาอิสลามไม่ใช่นะเคารพที่เรียกว่าพุทธมือนกรองอานาคตว่าเรียกออกกรองอนากะหรือตะพลอนากะอยู่อย่างเก่าเรียกพุทธแต่มันพุทธที่เป็ น, ม อ, นมอัตมาว่าจะว่าแพ้พุทธที่มันเป็นพุทธแล้วอ่ะพุทธที่มันออกนอกพุทธไปแล้วอเออเพี้ยนแล้วกันไม่ใช่พุทธลวมาเป็นเพี้ยนเออคอยังชัว โชคชูกระแพะไม่ใช่พูดมันเป็นเพี้ยนออกไปแล้วเป็นผิดก็ได้ฮะไม่ใช่พูดมันเป็นผิดไม่พูดไม่ใช่พูดเป็นผิดออกไปแล้วเป็นผิดแล้วไปศาสนาผิดไม่ใช่ศาสนาพูธนี่คือความเสื่อมประการที่เจ็ดครบบริบูรณ์เพราะนั้นต่อให้คุณมาวัดอโศกคุณไม่มาหรอก จะฟังทำของศาสของพุทธอโสกจางจะจะเรเิญด้วยอธิศีนแบบอโสกไม่ต้องจ้างเราเขาไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างเขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสเพ่งโทษไปมดครบเจ็ดขบวนเลยคการเสริมเจ็ดประการนี่เป็นหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนไว้อัตมาเอามาอธิบายให้ฟัง พวกเราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็อย่าไปโกรธเกลียดกันสงสารเขาเห็นใจกันว่าเออผิดพลาดมาแล้วก็ไม่รู้ตัวหน้าเห็นใจไม่ใช่หน้าเกลียดชังหน้าสงสารมากกว่าน่าสงสารจริงๆเพราะฉะนั้นก็พยายามฟังให้เข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันแม่คนผิดท่านมีวิธีถ้าสามารถทาได้ก็ช่วยกันขึ้นมา นะอัตมานะเขชังน้ำหน้ามันหนักแล้วไม่มีทางที่จะไปช่วยเขาได้หรอกเขาถือว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูหมายเลขหนึ่งมันจะทำยังไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วจริงถ้าเขาเห็นตรงเงินข้ามเขาจะเห็นอัตมาในเป็นตัวการใหญ่ท้งหลักทั้งนี้เป็นศาสนาที่เขาถือว่าเป็นลมลาง เขายืนยันนะว่าเราไม่ไปลมลางใครส่วนใครจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวคุณคุณเองเราไม่ไประรานใครเราไม่เป็นลมลางใครคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะแก้สิ่งที่มันไม่ดีนี่มาดีมันคุณเองนะคุณไม่แก้ของคุณนะ่ะอัตมาเป็นไปช่วยแก้คุณหรอกน่ะไม่จะแฟนทำแทนไม่ได้ไม่ได้คุณต้องทำเอง อย่างเก่งก็แฟนคุณนะช่วยคุณทำอาตมาทำแทนไม่ได้เพราะคนเราไม่ใช่แฟนคุณเลยคุณไม่ถือเป็นแฟนเลยทำแทนไม่ได้ใช่ไหมที่พูดนี้เอาสัจจะมาพูดทั้งสิ้นอาตมาเอาสัจจะมาพูดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะ เน้นทีนี้เน้นเข้าเป้าพวกเราเลยได้วิเคราะห์วิจัยถึงข้อบอกพร่องผิดพลาดมาเยอะไปว่าเขาเยอะตอนนี้ก็มาพูดถึงพวกเราว่าได้ดีแล้วจะดียังไงต่อไปในช่วงสุดท้ายอดาเหลืออีกครึ่งชั่วโมง8 3ดมงครึ่งก็9 3้าโมงครึ่ ง, ง, งเป็นจบถ้าเริ่มมาตั้งแ3ดโงครึ่งใช่ไหมเอเป็นชั่วสิบ3มงครึ่งเดสองชั่วโมงสบโมงครึ่ง นีมกลังจะสิบโมงละแล้วสิบโมงครึ่งก็อีกโดยอีกห้านาทีเก0ก็บโมงสำหรับพวกเรานี่ได้มักได้ผลตามที่อาตมายืนยันแล้วมีรูปธปรรมชัดเจนตามที่พูดไปแล้วว่าเอากระถาวัตถุสิบก็ดีเอาหลักธรรมตัวธรรมวินัยแปดข้อก็ดีเอาวันก้าวมาตรวจก็ดีหลักใหญ่คือมักน้อยหรึกล้าจน ซึ่งพวกเราเชาวโศกนี่เข้าใจจริงแล้วว่าเออาศาสนาสอนให้มาจนไม่ได้สอนให้มารวยจริงๆจึงถึงขั้นเปลี่ยนนำส ก, กุลกันไปเยอะที่นี่มีใครเปลี่ยนนำส ก, กุลไปหาพวกจนมั่งนี่มีไหมมีไหมใครบ้างมีไหมเปลี่ยนเป็นที่บรรดาเนี่ยเต็มไปหมดเดยนี้ไม่รู้อะไรกี่จนอาตมาจาไม่ได้แล้วแยกแขนงไปขนาดแซมดินเอยแซมเดือนหรือแซมดินแซมเดือน นดเตอร์แซมเดือนน่ะเขายังไปตั้งนามตะกูลใหม่เลยว่ า, า <c oughs> เขาอะไรเ ข, เขามีตั้งใจจนกับเต็มใจจนเขาไปเติมอีกคำนึงว่าตั้งใจจนแล้วหรือเต็มใจจนแล้วอะ่ะเขาไปต่ อ, อกคำนึงแล้วก็ไปตั้งเป็นต้นตระกูลนะต้นตระกูลตั้งใจจนแล้วหรือเต็มใจจนแล้วนี่ล่ละ รแล้วรจริงเนี่ยตั้งใจจนจริงรืดูมันแล้วอ่ะตั้งใจจนแล้วเต็มใจจนแล้วฮะฮะเออเออตั้งใจจนแล้วอ่ะแถมเดือนเขาไปตังเยอะเลยเดี๋ยวนี้ตั้งนามตระกูลเป็นจนจนจนจนเป็นต้นตระกูลตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ที่นี่ไม่มีใครเอาจนเลยหรออ้ยา อ่อะไรนะเอาไปตั้งใหม่เสีแต่ะคุณจนอยู่แล้วไอ้คนจนอยู่แล้วนี่เป็นคนจำนนนะแลนะบ้านเมืองไทยนี่คนจนเยอะนะคนจนเหล่านั้นนะจนอยู่แล้วแล้วก็เลยจมอยู่กับจนนั่นแหละก็ไม่งอกไม่งอกไม่เงยเราต้องมารู้ว่าจนอย่างไรจนอย่างมหัศจรันร์ จนอย่างคนที่มีความรู้ความสามารถมีความขยันหมั่นเพียรมีน้ำใจสร้างสรรแล้วก็ไม่หวงไม่แหนเกอกูลแจกจ่ายเจอจ า, อานอุ้มจูคนอื่นแล้วก็กินก็ใช้ที่เราสร้างนี่แหละเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราไม่ไปเอาเปรียบอารัดใครเรามีของเราเราก็กินก็ใช้ของเราที่เราสร้างเราสรรนี่แหละแล้วสร้างสรรเหลือเสร็จแล้วเราก็แจกจ่ายเจอจ า, อานคนอื่นได้ นี่เป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์พฤติกรรมมนุษย์เรามีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมมีไห ม, มอัตมาว่าพวกชาวโซเรมีเรามีเห็นได้เลยจริงจริงนอกจากมีเห็นได้และไม่ใช่ว่าทาเพื่อมารยาทสังคมทำเอาโกเอาอวดแต่ทำจากน้ำใจจริงพอเราได้ทำอย่างนี้มันเป็นคุณค่าความดีอย่างน้อยมันก็ขัดเกลากลเกลียดห่วงแหนของเรายิ่งใครกเกลียดห่วงแหนมันหมดไป มันไม่หวงไม่แหแล้วมันเกื้อกูลจริงมันให้จริงมันก็ยิ่งจริงสิ่งเหล่านี้เรามักน้อยเราไม่สะสมในใจเราไม่สะสมจริงๆริงไมัมกน้อยแล้วก็ไม่สะสมอปัจยะไม่สะสมอปิชฉะนี่มักน้อยกล้าจนจนยนงกระตั้งไม่ต้องสะสมอปัจจะพอเท่านี้ก็พอแล้วมันมีระบบอย่างชาวโสกมีระบบสาธารณโภคี มีของส่วนกลางกินใช้ร่วมกันมีกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ต่างคนต่างสร้างมารวมเสียภาษีร้อยเปร์เซ็นตทำแล้วก็มาให้แก่ส่วนกลางนี่หมดรวมมาอยู่ที่ส่วนกลางแล้วก็แบ่งแจกกันใช้คนไหนที่มันทำได้น้อยก็แจกจากที่มันมีคนทำเผื่อคนไหนที่ทำได้มากก็เผื่อคนน้อยไปมันก็เฉลี่ยทั่วถึงกันเพราะคนที่ขยันคนที่มีความรู้ความสามารถก็สร้างได้เยอะสร้างได้มาก ร้อนมากน้อยเป็นคนจริงใจพอเป็นคนจริงวิเวกสงบกายสงบคือไม่มีกิเลสมาจัดการกับกายเราองค์ประชุมของกายทางพฤติกรรมทางข้างนอกกับข้างในเรียกว่ากายคำว่ากายนี่เป็นองค์ประชุมทั้งนอกและในคำว่ากายเนี่ยเป็นองค์ประชุมทั้งนอกและในเพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสตรงทั้งนอกและในเรียกว่ากาย มันทำอยู่ทั้งนอกและในเร ว, ว่ากายถ้าใจก็ทำได้แต่ใจไม่ออกมาหากายเพราะฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติธรรมแบบนั่งหลับตาสายสัทธานุสารีแม่เป็นกายยสัตคีบูเจ้าก็บอกว่าต้องมาปฏิบัติธรรมนี้ให้มีนอกมีในมีวิโมกแปดอย่างข้อที่สองจะต้องรู้ข้างนอกพระหิทธารูปานิปัสสติต้องมาสัมผัสข้างนอกและข้างในก็อ่านด้วยอจตังอรูปสัญญีอรูปัสัญญีอาจารย์ พระให้ทสั้นอรูปะสั้นยีถูกแล้วอเอโกทำของตนเองส่วนในก็ทำไปของข้างนอกก็ทำไปปัสสาข้างนอกด้วยแล้วให้สัมผัสวิโมก8แปดพวกนี้ด้วยกายครบกายกายเยนให้ทำถึงขั้นองค์ประชุมนอกในเพราะไปทำต่ข้างในมันไม่ใช่ของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพราะจะต้องมาบริบูรณ์ทั้งกิเลส ข้างนอกก็ไม่มีกิเลสข้างในก็ไม่มีกิเลสเรียกว่ากายข้างนอกก็ทําอยู่ข้างในก็ทําด้วยไม่ได้ตัดขาดกันคำว่ากายเพราะงั้นเข้าใจคําว่ากายนี่นก็ไม่พอวันวิเวกกายวิเวกก็เลยนั่งแข็งทื่ออรังกายตัวกายคือร่างร่างแข็งทื่อนี่วิเวกสงบบ้างเงินนะจิตวิเวก นึ่งเลยจิตมักระดุกกระดิกจิตไม่คิดจิตไม่นอกจากไม่คิดไม่รู้เรื่องนิโรธดับเลยนี่คือนิโรธพาซื้อมิจฉานิโรธของพุทธวิเวกของพุทธไม่ใช่วิเวก ข, ของพุทธวิเวกของพุทธังกายยังเคลื่อนไหวในเต็มที่เลยแต่กิเลสไม่มีทั้งนอกและในจิตวิเวกก็คือชัดเจนเลยในจิตไม่มีกิเลสแน่นอนวิเวกเจ็เด็ดขาดอุปทิวิเวกก็เพราะรู้กิเลสนั่นเอง จึงทำให้กิเลสลดกิเลสตายกิเลสสงบหมดเลยกายจึงวิเวกจิตจึงวิเวกแล้วทางข้างนอกก็ทำงานอยู่มีการเคลื่อนไหวสัมมาอาชีพสัมมากรรมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะเต็มรูปเลยไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่พูดไม่ใช่ไม่มีกรรมการงานไม่ใช่ทำกะอาชีพไม่ทาอาชีพไม่ใช่เลย วิเวกนี่ทำอาชีพอย่างสัมมาทำกรรมมันตาอย่างสัมมาทำวาจาอย่างสัมมาทำจิตอย่างใจในใจของเราอย่างสัมมาครบหมดเลยแต่วิเวกพอกิเลสวิเวกหมดแล้วกายก็วิเวกจิตก็วิเวกเพราะมันไม่มีจิตเข้ามาทำให้กายนั้นมันไม่สงบมันวุ่นวายมันเดือดร้อนมันเป็นวิปฏิสารไม่มีวิปฏิิสารเลยสมบูรณ์ครบ ไม่เดือดร้อนทั้งตนและพระท่านเพราะไม่ทําบาปไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วทําแต่ดีอย่างเดียวสัพปา ป, ปัสสะกระนังกุศลสู้ปสัมปทาเพราะสจิตตประโยชน์เปนหังเพราะทําใจให้จิเลศสงบดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นหมดเลยอุปปิจชาสันติปวิเวกะวิเวกจริงไม่จช่เป็นนั่ง อยู่ในป่าวิเวกไม่อยู่ในเขาวิเวกไม่ใช่อยู่กับสังคมนี่แหละอยู่กับทุกอย่างมีผัสสะเป็นปัจจัยมีลาบยศสรรเสริญองคีสุขแต่จิตเราก็สงบไม่มีกิเลสเขาไปกวนมารวนมาทำผิดของตนผิดของผู้อื่นไม่นี่นี่คือวิเวกอสังสักขะท่านแปลว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่ไปใหญ่เลยหมู่คือสังคมคือกลุ่มสังคมคือหมู่กลุ่มบริษัท ไม่ครุกคลีด้วยกันนี้ก็ป่าไปหมดเลยนี่คือศาสนาออกนอกทางสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธที่อาตมาขอพูด ต, ตรงๆยืนยันเลยบ่าปฏิบัติทำเพื่อไปนิพพานนั้นต้องหนีไปในป่าซึ่งอาตมาพูดด้วยความไม่ความเสื่อมสี่ประการที่พระเจ้า ต, ตรัสไว้ในอัมพตสูตรชัดเจนแล้วท่านพยากรณ์ไว้แต่อตอนโน้นศาสนายังไม่เสื่อมหรอกว่าจะเสื่อมเพราะคนจะไปแสวงหาอาจารย์ในป่าสี่ข้อไม่เปล่าไม่พูดไม่อธิบายแล้ว ความเสื่อมออกป่าเนี่ยนั่นผิดไปหมดเลยมันนอกออกนอกรีดออกนอ ก, นอ ก, นอ ก, นอกทางสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธหมดนี่คือการขออาภายัยเป็นการประจานาศาสนาพุทธอย่างชัดเจนอสังสักครับเลยว่าสังศักขะักขะมันก็บอกตรงตรงน่แล้วแปว่าสวรรค์สวรรค์โลกีนี่เป็นสวรรค์เทศสุขเท็จไม่เข้าใจแล้วโลกุตระไม่เข้าใจแล้ว ไม่ลดกิเลสที่จะไปมีสวรรค์มีนรกไม่ลดเมื่อไม่ลดสวรรค์ก็มีนรกก็มีอยู่กันเนี่ยที่ไม่ดีหนาขึ้นมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวอสังสัารก็คือไม่มีและสวรรค์ไม่ทําสวรรค์ไม่ปรุงสวรรค์ไม่ประกอบด้วยสวรรค์อสังสัารสวรรค์โลกีเข้าใจ ส, สวรรค์ตามที่เรียนรู้อนุปุธาาทธคลาธามาแต่ต้นทานศีลสักขะอากามาทีนวะและกะเนฆคมัมมะ อนุปูร า, าหารู้จักสักขารู้จักสวรรค์แล้วก็รู้โทษของกามสมใจในกามเป็นสวรรค์มันเป็นโทษมันไม่ใช่เป็นคุณแต่ไปเข้าใจว่าเป็นปกามมาคุณมันเป็นกามมาโทษกามมาทินวะไม่ใช่กามาคุณน ะ, าะานาฬกามาคุณนะกาอมาทินวะก็ไม่เข้าใจการอธิบายไม่เข้าไม่เป็นเลยทุกวันนี้กัเรียกแต่กามมาคุณแล้วก็งง เอมันเป็นคุณเลอกามก็งงๆเนะก็มันไม่ใช่มันการมาโทษไม่ใชกามมาคุณเปนกามาอาทินวะก็เพราะเรียนนุปปิกาถาไม่ถึงขั้นกามมาทินวะเล่นมีแต่กามมาคุณบางคนไม่เคยได้ยินนะกามมาทินวะมีเด้อการมาโทษมีเด้อมีไงภาษาบาลีอาทินวะประบท ใครยังไม่เคยได้ยินกามาเทนว่าไอากามโทษมึงยกมือจีบอกจริงใครยังไม่เคยยินพูดเลยยินวันเนี้ยหลายคนอยู่เห็นมาไม่ซ้อนกันในพุทธศาสนาอนุปุกขาถาคําสอนเบื้องต้นไม่ได้พูดกันเลยแล้วเนกธรรมก็ต้องออกจากกามเนี่ยมันเป็นกามโทษต้องออกจากไม่อยาเข้าไปบําเบอบํารุงกามก็ไปเห็นว่ากามมาคุณมันก็บํารุงมันทุกวันเลยก็เสร็จมาเลย นี่คือความปิดปลาดทางศาสนาเพราะงั้นกาสมาธินวะก็คือสุขที่เป็นโทษสมใจในกาเป็นกามาสุขก็เป็นกามาสุขคันลิกะเป็นสุขเ ท, ท็จเป็นสุขไม่จริงแต่คนก็ไม่เข้าใจก็เลยเป็นสวรรค์สุขนี่แหละสวรรค์เสพกามสวรรค์สุขมันของเ ท, ท็จของปลอมก็ไม่รู้สวรรค์นี้ก็ไม่ออกจากสวรรค์นี้เพราะงะั้นอสังสักะ แปลเป็นภาษาไปไม่คลุกคลีด้วยหมูไม่เกี่ยวข้องด้วยมัวด้ปยายมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่รู้เรื่องว่ า, าแล้วจริ ง, รงๆเนื้อแท้มันคืออะไรไม่กล้าพูดแม่รู้ความนะเรียนป ร, ริญญาเรียนบาลีมาก็รู้แต่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็ไม่กล้าพูดแล้วมันจะเข้าเนื้อตัวเองก็เลยไม่พูด าศาสนาก็เลยเพี้ยนไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยผิดไปเรื่อยนะเพราะงั้นบางไม่รู้อสังศัก ข, ขะก็ไม่เข้าใจพูดกันอธิบายไม่ถึงเนื้อแท้ก็เลยกลายเป็นยิ่งเพี้ยนไปแปลว่าไม่คลุกครีดในหมู่ก็เลยยิ่งส่งเสริมออกนอกรีดออกจากบริษัทออกจากหมู่ออกจากสังคมเข้าป่าเขาทําไปเลยเป็นาศาสนาที่ไม่มีสังคม ไม่มีหมู่กลุ่มไม่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่มีนี้ไปเลยเมื่อศาสนาขาดมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วศูนเลยเพมิตรดีนี่เป็นข้อต้นของสุริยเปยานสูตรเป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าต้องมีมิตร ด, ดีมิตรดีคือสัตว์รุษมิตรดีคือผู้จะสอนส ม, มาธิให้ไม่มีแล้วนอกจากไม่มีแล้วเห็นมิตรดีเป็นมิตรร้ายด้วย เห็นคนละพวกเลยเห็นเป็นคนละพวกมัชมิดไม่เห็นเราว่าเป็นกัลยาณมิตรเห็นเราว่าเป็นปาปมิตรเห็นมิตรที่พาไปทําบาปหาว่างั้นเลยไม่ได้เห็นว่าเราเป็นมิตรดีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกไม่ได้เห็นอย่างนี้ไม่เห็นว่าเป็นมิตรที่ปรารถนาดีจะช่วย ช่วยถึงขั้นให้เป็นบุญเนะ่ยอย่าว่าแต่กัลยาณะเลยให้ขัดกเกลากลิเลสชําระกิเลสได้บุญนี่คือการชราําระกิเลสนะเพราะงั้นต้องชาําระกิเลสได้จึงจะเป็นบุญถ้าชาําระกิเลสไม่ได้ไม่เรียกบุญนะไม่เรียกบุญอันนี้อามากําลังอธิบายภาษาคําว่าบุญคําว่ากายอยู่อย่างละเอียดตอนเนี้มันเพียงพระศาสนาพูดสองคำเนี่ยไปไม่รอดสองคำนี้ถ้าเข้าใจสองคำนี้ถูกและปฏิบัติตรงตามคําว่าบุญคําว่ากายนี้ได้ รับรองได้ประโยชน์ได้ผลแน่นะคาว่ากายนี่รวมทั้งข้างนอกคําว่าบุญนิกเจาะข้างในเลยว่าต้องชําระกิเลสได้คําว่ากายนี่ต้องเกี่ยวข้องข้างนอกแล้วต้องมีข้างในต้องมีเนื้อจิตด้วยกายไม่มีเนื้อจิตไม่ถือว่ากายไม่เรียกกายนะไม่เรียกกายแม้พระติปดกเล่มนี้มีกายสวยจังเลยเนาะเขาเรียกไหม เขาก็เรียกรูปรูปสวยรูปร่างถ้ามันจะสวยขวดใบนี้มีกายสวยจังไม่มีเรียกมันไม่มีจิตจิตไม่ได้ไปร่วมกับมันเลยแม่ใบไม้ใบนีกายสวยจังมันไม่มีจิตได้เรียกกายใครเคยได้ยินม้าว่ากายใบไม้เพิ่พูดแต่ว่ารูปร่างใบไม้รูป ที่เป็นร่างที่เห็นด้วยตากระทบรูปนี้เป็นร่างรู้แต่ร่างร่างของใบไม้เป็นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ดิตาอย่างนี้เป็นต้นมันเข้าใจภาษาพวกนี้เพียนอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่เข้าเนื้อไม่เข้าไปสู่สาระของสัจ ธ, ธรรมนะเมื่ออสังสักะสวรรค์ก็ไม่รู้จักสวรรค์ พาออกนอกทางไปแปลออกนอกทางคุกคลีไม่คุกคลีด้วยหมูไปเกี่ยวข้องในคณะด้ว ย, วยมู่เม็ดมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็ไม่มีอย่างที่กล่าวแล้วสุริยประยาญสูตรอีกเจ็ข้อตั้งแต่ข้อหนึง่งศูนย์เลยเพราะสุริยประยาญเจ็เนี่ยฟังดีๆนะวันนี้อาตมาเอาร้อยมาลายลาๆสูตรมาร้อยนี่ดอกไม้ข้อนี้มาตอกแต่งตรงนี้แต่งตรงนี้ สุ ร, ยรียัญสูตรมิตรดีข้อที่หนึ่งข้อสองศีลเมื่อไม่ได้ฟังจากมิตรดีที่เป็นสัตตมรุษคุณก็ปฏิบัติศีลไม่ถูกเพราะก่อนคุณก็ไม่มีละสมปริยรัญปัานี่คือแสงอรุณที่จะมา ก, ก่อนมรุองแปดมา ก, ก่อนพระอาทิตย์จะเห็นพระอาทิตย์จะได้พระอาทิตย์ต้องเห็นแสงอรุณก่อนเพราะงั้นคุณยังไม่ได้ละมิตรดีคุณก็ไม่มีศีล คุณก็ย่อมไม่ได้คุณไม่ได้มิตรดีที่เป็นสัตบุรุษไปได้มิตรที่ไม่ใช่สัตบุรุษสอนศีลผิดศีลคุณก็ไม่เป็นแสงอรุณไปปฏิบัติมรรคกองแปดให้ตายชักคุณก็ชักตายเปล่าๆไม่ได้ผลข้อสามชันทะยินดีในโล ก, กุตระยินดีในสิ่งที่เข้าใจแล้วว่าอ๋อศีลเป็นอย่างนี้อัติศีลเป็นอย่างนี้เกิดอติจิตอย่างนี้ เ, เกิดปัญญาที่เป็นโลกุตระเป็นแบบนี้คุณไม่ได้คุณจะยินดีในสิ่งที่นอกเขตพุทธยินดีไปในความรู้ก็ดีในภาคปฏิบัติก็ดีเป็นมิจฉามักมิจฉาพนไปฉันท่าคุณก็จะไปยินดีอย่างนั้นไม่ได้แสงอรุณถ้าแสงอรุณก็ต้องได้แบบสมาธิธฉันท่าในอ๋อยังงี้อธิสินมิตรดีท่านสอนศีนอย่างงี้สอนแล้วถขัดเกา ช่วยกันกับปัญญาแล้วกัการเกาจิตเป็นโลกุตระแบบนี้โอ้ oh, อย่างงี้คุณก็ได้แสงอรุณก่อนเข้าใจและเป็นสมาธิทิ้ทนเป็นอย่างนี้เองเออฉันทะคุณก็ยินดีแบบนี้ยินดีที่สอนอย่างนี้เป็นปริยัตเป็นทฤษฎีเสร็จแล้วคุณก็ไปปฏิบัติให้เห็นอัตตาสุริยปยานข้อที่สี่คืออัตตาจับตัวสักกายะนั้นสักกายะนั้นคืออัตตาตัวแรก คุณจับสักกายะได้อ่านอัตตาถูกจับอัตตาถูกคุณก็ได้ตัวสมุทัยแล้วโจรแล้วคุณก็กำจัดตัวนี้สิด้วยทิฏฐิด้วยหลักทมสมาธิทิฏฐิข้อที่หสุริยปริยานข้อที่ห้าคุณต้องมีสมาธิทิฏฐิที่คุณจะได้ข้อที่หคือแสงอรุณข้อที่5ทิฏฐิคุณต้องสมาสมาสิบเป็นต้น รู้จากการปฏิบัติทิ่นนั่งยิตทั้งหุตังอะไรต่างๆนานาคุณต้องเข้าใจรู้เลยอ๋อปฏิบัติอย่างนี้ทานก็อย่างนี้มันต้องจะเกิดลดลดกิเลสจริงจิตหุตังเป็นอย่างนี้เองกิเลสลดจากจิตเป็นอย่างนี้เองโอ้เกิดจากกรรมทั้งกรรมที่เป็นอาชีวกรรมที่เป็นกรรมมันตะกกรรมที่เป็นวาจากรรมที่เป็นสังกปะและตัวสังกปะนี่แหละมีสังกปะเจ็ดนี่แหละยิ่งเยี่ยมเลยขัดเกากิเลส ทำกระบวนการจิตสังกัปปะเจตนี้ได้ดีคุณก็เป็นผู้รู้อัตตาตั้งแต่ปริยัติตั้งแต่สมาธิเมื่อสมาธิิได้ไปถึงขั้นปริยัติแล้วข้อที่ห้าอทิธิ ด, ดีแล้วสมาแล้วข้อที่หคุณก็ไปประมาทไป ป, ปฏิบัติยาประมาทถ้าคุณได้แล้วคุณก็ยังประมาทไม่ปปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แค่สักกายพนวิจิกิจฉาพนสังโยชนสองแต่ไม่เอาจริงประมาทอยู่นั่นแลลวเห็นกิเลสกับไอ้โลคกิเลสปรองดองกันนะ้าประนีประนอมกันน้ากิเลสน้าอยู่ด้วยกันนะา เ, นะนะเอาเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำความผิดเบื้องหลังนั่นเป็นเซตซีโร่ให้เลยนะาจะทำเลิกล้างกัน อ, อภัยกัน ความผิดก็แล้วก็แล้วกันไปเซตซีโร์ไปเลยเลิกรากันไปเป็นศูนเลยอะไรนี้เป็นต้นคุณก็เล่นอยู่ก็ไอ้กิเลนนั่นแหละเลเดนหัวๆเรียกว่าปรามาตรลุบๆคลำๆไม่เอาจริงไม่บีบคอมันลงไปมั่งไม่ลดทอนมันไม่กําจัดมันจริงคุณก็ยังไม่ผ่านคุณก็ยังไม่เกิดผลถือว่าประมาทนี่ข้อที่หกของ สุริยปยานแสงอรุณก่อนที่จะเจอพระอาทิตย์ก็จะได้พระก่อนจะไปปฏิบัติมรรคคุณต้องเข้าใจสมาธิเจ็ดขอ้อนี้ก่อนยิ่งข้อ7แล้วคุณจะต้องถ้าเข้าใจแล้วแม้ที่สุดถึงขั้นรู้ศีลพลดรู้วิธีปฏิบัติอย่างดีแล้วไม่ประมาทแล้วคุณต้องแน่ชัดนะว่าคุณทําจิตเป็นโยนิโสมมนสิการข้อที่7 คุณต้องทำใจในใจเป็นถ้าคุณทำใจในใจไม่เป็นตอนห้คุณไม่ประมาทยังไงคุณก็ทำผิดมันไม่เป็นนะมันไม่ถูกอะ่ะแต่ถ้าถูกมาตลอดอีกหข้อเลยมาถึงห้าข้อข้อที่หคุณไม่ประมาทคุณทำโยนิโสมนสิการก็ถูกต้องเป็นด้วยรับรองคุณได้เจอพระอาทิตย์คุณจปฏิบัติมารองค์ดสัมมาสมาธิสมาธิิสัมม า, ส, มาสังกปะสัมมาวาจามักรมัตะสัมมาชีวะ สมาวายามะสมาสติเกิดเอกขตาในสมาสมาธิแน่นอนยิ่งกว่นอนแน่ๆให้มืดทะก่อนยังไม่มืดยังไม่นอนเนี่ยตมาก็เอาสูตรต่างๆมาร้อยเรียงต่างๆสารพัดหลายสูตรพวกเราก็มีมีพื้นฐานในฟังปริยญาติฟังภาษามา อาตมาก็เอามาขยายความเพื่อที่จะให้เห็นว่าสูตรธรรมะพระเจ้านั้นมันมาส่งเคราะห์กันอนุเคราะห์กันอุปการะกันช่วยกันทั้งนั้นทั้งนั้นเลยทําให้เราลดกิเลสได้ตรวจสอบกับธรรมะพระเจ้าตรวจสอบกับสูตรต่างๆของพระเจ้าโอ้เข้ากันได้เพราะฉะนั้นอาตมาไม่เห็นว่าธรรมะของพระเจ้าสูตรต่างๆนี้มันแตกต่างกันตรงไหนเลยมันเหมือนกันหมดเลยมันอันเดียวกันเลย สู่ต่างๆของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกันหมดไตรสิกขาเหมือนกันกับจริยธไอ้จรรยาสบป่าวิชาแปดเหมือนกันกับโพธิปัติคธิยธรรม37เจ็ดเหมือนกับมรรคองแปดเหมือนกับอะไรต่างๆนานาหลักธรรมหลักปฏิบัติของพระเจ้าสอดคล้องกันเหมือนกันเป็นตัวเป็นว่าอธิบายกันไปคนละนัยยะสำคัญเท่านั้นเองอธิบายกับคนต่างแต่ก็มีตัว แกนอันเดียวกันหมดเลยแกนอันเดียวกันเลยให้เข้าไปรู้จักจิตเจตสิกรูปแล้วก็รู้จักตัวสมุทัยตามอริยสัจและก็รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้ละในอริยสัจข้อที่สแลวก็ทานิโรธอย่างชัดเจนชัดแจ้งเป็นสัจฉิกระนาหรือสัจฉิกตวาแจ้งชัดเลยชัดเจนว่าอันนิโรธนี้เป็นนิโรธลืมตาเป็นทีิโรธี่มีจัก มีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างไม่ใช่นิโรดับปีไม่รู้เรื่องแสงสว่างก็ไม่มีตาก็ปิดความคิดก็ไม่มีญาณปัญญาอะไรก็ไม่เลยมืดตื่เลยนั่นคือนิโรดแต่ดาปีเป็นกินนาห์เป็นกินนาห์พรหมแล้วก็ถือว่าตัวเองมีโชคที่ได้นิโรดก็เลยเรียกพรหม ผมหน้ามืดี่วาสุภกินนาหะพร้มหน้าดำได้แต่ดับดานี้มืดสุภกินนาหะโอ้เป็นโชคที่ได้นิโรธหน้าดาแต่เา้เาไม่รู้ว่าเขาได้นิโรธหน้าดาเป็นนิโรธเป็นนิโรธผิดเป็นนิโรธคนละเรื่องกันไม่ใช่นิโรธของพุธเ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นจริงๆเขาไม่รู้เ้าไม่เชื่อเขาไม่เห็น อัตมาพูดในตายเขาก็ฟังเฉยเพราะเขาเรียนมาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเขายิ่งใหญ่ครูบาอาจารย์ของเขาใหญ่ๆดังนั้นนะมียศมีตำแหน่งมีหนา้าที่มีลูกศิษย์ลูกหามากโพธิรักษ์ไม่ลูกศิษย์กี่คนสองคนไม่เอาคนที่สามคือกระเทย <c oughs> <c oughs> เอาจิงโพธิรักษ์มีลูกศิษย์สองคนะ มีเพศชายกับเพศหญิงไม่เอากระเทยไม่เอาที่อื่นเขาเอากระเทยก็ะดงเขาหน่งอัตมาใช้สูตรธรรมะต่างๆของพระเจา้ามาขยายความผู้ที่มีพื้นฐานบางแล้วฟังจะเข้าใจได้ดีเลยผู้ยังไม่มีพื้นฐานก็คงพอเข้าใจได้มั้งเนาะ พอตอมาไม่ได้พูดแต่ตัวภาษาบาลีก็พูดเนื้อหาความหมายของมันด้วยอยู่ประมาณแม้แต่สุริยะปยะยานสูตรเนี่ยจะต้องพบแสงอรุณก่อนเจ็ดสภาพนีแล้วเราก็จะปฏิบัติมรรคองแปดได้ดีได้ประโยชน์ได้เป็นอนิสงส์มีคุณภาพถูกต้องแท้ถ้าไม่เช่นนั้นคุณปฏิบัติมรรคองแปดให้ตายคุณไม่มีมิติ มิตรนอกรีดแล้วมันจะไปได้เริ่มต้นมิตรเนี่ยสำคัญเลยคุณไม่ได้พบสัตว์ประุษเป็นข้อแรกเลยในอวิชชาสูตรก็ดีในจักใน่วุปัญญาวุฒิสูตรสี่ก็ดีอยู่ในอะไรอีเยอะแยะต้องพบสัตว์ประุษแล้วฟังธรรมจึงจะเกิดสัตธรรมจึงจะรู้สัตธ ร, รมจึงจะศรัทธาในธรรมนะได้รู้สัทธ ร, รมเพราะว่าได้ฟัง ธรรมะที่บริบูรณ์จึงเกิดศรัทธาที่บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์ก็คุณโยนิโสมนัสิการบริบูรณ์นี่นะอภิชาสูตรโยนิโสมนัสิการก็คือทําใจในใจอย่างถูกต้องเต็มที่ได้ตามฐานะโชดาก็ทําตามฐานะได้เต็มที่ของโชดาสกิทาก็ทําไปตามฐานะของสกิธานาะคาก็เหมือนกันได้เต็มที่บริบูรณ์ไปตามฐานะมันก็ได้มกักได้ผลไปเรื่อยๆ เป็นลำดับลาดลุ่มมื่นฝังทะเลของพพุทธเจ้าสอนไม่ขุกไม่ขลักไม่โดดไปโดดมาปลายลาบเรื่อยไปไม่มีอะไรขลุกรับเรียบร้อยไปดีมากพระม่พูดใดไม่สามารถพบมิตร ด, ดีไม่มีเจริญในอธิศี น, นไม่มีชั้นทะในสิ่งที่ถูกต้องไม่รู้จักอัตตา ไม่มีสุริยปียญานอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นทิฏฐิของคุณก็ออกนอกรีดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดทิฏฐิของ friendly, คุณไม่เป็นสมาธิิไม่มีสุริยะปียญานแม้มีสมาธิิแล้วคุณมีมาหมดเลยคุณประมาทอัปปมาทะอยู่ต้องไม่ประมาทตัวไม่ประมาณนี่คือสุริยะเปียญคือแสงอรุณแทบประมาทนี่คือตัวไม่มีแสงอรุณถ้าคุณยังประมาทก็ไม่ได้ ถ้าคุณได้ดีแล้วหข้อไม่ประมาทปฏิบัติอย่างเอาใจใสด่ดีอุตสาหาวิริยะข้อ6กไปถึงข้อ6ไปประมาทข้อ7คุณก็ทําโยนิสมานสิกานได้เลยเพราะว่าทฤษฎีทั้งหมดพบมิตรดีสหายดีรู้หลักการรู้จักอัตตารู้จักทฤษฎีรู้จักทิฏฐิที่ถูกแล้วข้อที่เคุณก็ปฏิบัติอย่างเดียว โยนิโสมมนสิการปฏิบัติให้จิตมันลดได้เพราะคุณรู้มาหมดแล้วต้องทําให้ตรงทําให้ถูกเมื่อถูกคุณก็ได้ผลก็คุณก็เอาไปปฏิบัติโยนิโสมมานสิการมักองแปดมันแหละปฏิบัติมักองคแ8และเพราะได้มาทั้งหข้อแล้วข้อที่เจดก็ไปปฏิบัติก็คือได้ปฏิบัติมักเจมักเจ็ดองอย่างถูกต้องตามสมาธิฐิแล้วก็ปฏิบัติเจ็ดองนั้น ก็เกิดอธิจิตศิขาเกิดสัมมาสมาธิเข้าให้จริงอย่างนั้นสัมมาสมาธิก็เกิดว so the ิมุตติเกิดวิมุตติยานทาศนาอยู่ในสัมมาสมาธิเป็นแก่นแก่นของศาสนาพุทธผู้บรรลุแก่นแล้วก็เป็นอมตะบุคคลเป็นอรหันต์เป็นคนรู้จักตายรู้จักเกิดเป็นคนทําจิตของตัวเองตายสิ้น แล้วก็เกิดอยู่เกิดเป็นจิตพระเจ้าจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์แล้วและจะทําให้จิตนี้ตายยังได้เลยเป็นอรหันเนี่ยดับเป็นปริ น, น, รรออนรรริพานเป็นปริโยสานตามข้อข้อสุดท้ายของมูลสูศุตรปรินิพานเป็นปริโยสานเป็นข้อที่10ข้อมูลสูตรหลังจากอมตะอมตะเป็นข้อที่9วิมุติเป็นข้อที่แ อย่างนี้เป็นต้นนี่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเรียบเรียงคําต่างๆสูตรต่างๆสภาวะธรรมต่างๆมันชัดเจนมันจะไม่สับสนเลยถ้าคุณเข้าใจแล้วก็มีสภาวะอย่านามาพูดเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปจําตัวหนังสือเก่งเท่าไรหรอกบางทีก็พูดภาษาตัวหนังสือผิดๆถูกๆเพราะคุณก็ได้ยินบ่อยๆแต่สภาวะอาตมาไม่ผิดหรอกมันเรียงไปชัดๆชัดๆหมดเลยเพราะมันเป็นเนื้อแท้ของเรา ปฏิบัติจริงๆมันจะได้อย่างนี้นะพราะวันนี้วันแม่ท่านทั้งหลายก็มาพยายามศึกษามาวัดแล้วมาฟังธรรมแล้วต่อจากนี้ก็ต้องเอาไปทาให้ศีลเจริญอธิศีลเจริญจะได้ไม่เสื่อมนี้อุตสาได้มาวัดมาฟังธรรมมาฟังสัตบุรุษและก็มาฟังธรรมด้วยไม่ใช่มาวัดไม่ฟังธรรมมาวัดไม่ฟังธรรม ได้อยู่ข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองไม่ฟังทมก็เสื่อมนี่ไม่ฟังมาฟังทมแล้วก็ได้ข้อสองแล้วเหลืออธิศีนเข้าใจเป็นปริยัติแล้วเอาไปปฏิบัติให้เกิดอทิศีนประโยชนิโสมมนาศิกาให้เกิดอธิศี น, น, มกก เ, นเมื่อคุณจเจริญในอธิศีนคุณก็จะศรัทธาภิกษุแท้จริงยิ่งสัตตบรุษที่คุณได้ฟังทำได ความรู้จากท่านมาปฏิบัติได้มักได้ผลคุณก็ยิ่งจะศรัทธาองค์อื่นๆที่เป็นผู้ปานกลางผู้แก่ผู้เยาวผู้อ่อนผู้ใหม่อะไรก็ตามภิกษุภิกษุตั้งแต่ใหม่หนาภิกษุผู้เป็นอะไรละจนกระทั่งถึงพันเตอาวุโสไปไล่ไปคุณก็ศรัทธาเริ่มไซดีคนไหนไม่น่าเริ่มไซดคุณก็จะมีปัญญารู้ แต่คุณก็ศรัทธาผู้ที่น่าศรัทธาอยู่นั่นแหละคนไม่ศรัทธาก็ส่วนตัวใครที่ทําตัวเองไม่น่าศรัทธาก็ตัวเองถูกเขาไม่ศรัทธาเองส่วนคนที่ศรัทธาคนที่ดีอยู่แล้วเขาก็ศรัทธาอยู่ดีอ่ะใช่ไหมก็ศรัทธาท่านก็ตั้งใจฟังธรรมไม่เพ่งโทษก็ยิ่งฟังธรรมก็ยิ่งเห็นดีเห็นจริงโอ้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งตรงยิ่งฟังยี่ถูกต้องยิ่งฟังยิ่งเอาไปปฏิบัติได้มันจะไปเพ่งโทษได้ไงเพราะฉะนั้นไม่มีทางออกนอกพุท ไม่มีทางออกนอกขอบเขตไม่สแสวงบุญนอกขอบเขตไม่ไปชำระ ก, กิเลสแบบอื่นชำระ ก, กิเลสแบบของพุทธแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีวันจะไปสักการะรัธิอื่นก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไม่สักการะรัติอื่นเราก็สักการะแต่เราต้องรับถือว่าสักการะรัธิเร า, าศาสนาเราก่อนแน่นอนเลยไม่เป็นสัจจะ ไม่ใช่ว่าถือดีถือตัวไม่ใช่ว่าสอนให้เห็นแค่ตัวไม่ใช่สอนให้ยึดมัน่นถือมัน่นอัตตาตัวตนแต่เป็นเรื่องจริงมันทวนไปทวนมาแม้แต่ความเสื่อมเจ็ดประการนี่ก็ชัดเจนลงตัวเห็นไหมเพราะอย่าเป็นลืมนะว่าตนต้องทําตนเป็นแม่บ้านแม่คือมีศีลศีลเป็นแม่และต้องหาปัญญา เป็นพ่อไม่ต้องไปหาผู้ชายหรอกหาปัญญาหาปัญญาเป็นพ่อแล้วก็ทำให้จิตของเรานี่เกิดเป็นโอปปปาติกาโย น, นินะเป็นลูกทางจิตเกิดให้ได้ไ อ, อ้ยังงั้นน่ะปัทโถเอ้ยไปหาพ่อหาแม่ของไอล้ลูกๆเป็นตัวตนบุคคลเราเขานั่นน่ะมันเก่าแล้ว เก่าแล้วไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปยินดีกับมันหรอกหน้าเดรัจานมันก็ทำเป็นเยอะแยะไปมันก็หาเป็นรูไม่ต้องไปอย่งชิงอาชีพเขาหรอกมาเอาอันนี้ของใหม่ของขุนเจ้าเยยมยอดเลยมาหาความมีศีลเป็นแม่มีปัญญาเป็นพ่อแลวทำให้จิตของเรานี่เป็นลูกคลอดออกมาเป็นอาริยบุคคลเป็นคนประเสริฐที่แท้จริงมาทาอันนี้ให้ได้ เอาละอัตมาก็สรุปลงไปหาพ่อหาแม่ในวันพ่อวันแม่แล้วเวลาก็ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะก็ขอมาก็นานแน่นพอสมควรนะก็ขออวยพ่อหนะ่อทุกคนฟังทำแล้วเอาไปทำเน้อนะฟังทำเข้าใจเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นก่อนอย่าประมาทอย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง ใครจะไม่ตายยกมือขึ้นอ๋อจะไม่ตายเหรอโอ้โหบังอาจโอ้โหเก่งยังไงคนที่จะไม่ตายมีคนเดียวอะอรหรันท่านจะไม่ยอมตายง่ายๆอย่างพระอวโลกิเ ต, ตสนุนี่ท่านจะไม่ตอมตายง่ายๆท่านตายแล้วกิเลสท่านตายหมดแล้วนะแต่ท่านจะไม่ยอมตายจนกว่าจะรื้อขนสัตว์เป็นคนสุดท้ายออกหมดโลกแล้วท่านถึงจะ ปรินิพานตายตายสนิทตายปรินิพานคุณจะเอาอย่างท่านก็เชิญอรรมาอานุโมทนาอธรรมไม่เอาด้วยเราไม่ไว้เมื่อยแค่ปางนี้ก็โอ้โหหนักหนาสาหัสแล้วตะคืนต่อไปอีกถึงจะรืคนสัตว์ให้หมดโลกแล้วค่อยปรินิพานแค่คิดก็เมื่อยเลยนะยังไม่ทันไปลงมือทําเลย แค่คิดก็เมื่อยแล้วไม่เอาอะาตมาก็เอาแค่สูงสุดได้เป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องไปยาวเรงขนาดเป็นพระเจ้าอย่างอย่างนั้นนะท่านไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระบาลูโกเตศวนน่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะต้องป ร, รินิพานไงพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่วสุดท้ายแล้วชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายทุกองค์คือจิตมันมันจะเข้าใจมันรู้แล้วมันก็พอแล้ว จิตมันเต็มพราะถ้านจำไม่เต็มท่านกับปัญนาไปดิท่านจะทํางานเรือนว่าไปท่านจะไปรือคนสัตว์ให้จนกระทั่งคนสุดท้ายเร่องกว่าไปปณิธานที่เยี่ยมยอดใช่ไม้มเป็นความตั้งใจที่โอ้โหท่านเป็นพระบริสัตว์จริงท่านจะช่วยคนอย่างซื่อสัตว์จริงๆบริสุทธิ์จริงๆโอ้นีมนเลยท่านเกิดไมน่นอชติเนี่ยอยู่ไหนเนาะพระอวโกกิเตสุเขาบอกว่ากวนอิมมาใช่ กดิก็คือปางหนึ่งของพระอวโลกิเตสวนวนอิ้มมั่งใครตะใครมั่งเยอะเยะเขาปั่นยายไปเอาเถอะก็ฟังเขาว่าไม่มีปัญหาเราไม่ได้ลงไหล ง, งมงายอะไรเราเข้าใจอยู่นะอ๋เอาละสำหรับวันนี้อาตมากอได้เทศนาพอสมควรแก่เวลานะขอทุกคนได้ทำอันสมควรแก่ทำทำให้แกตนเองให้ได้ทุกคนทุกคน โอ้เมื่อกี้นี่เราเริ่มก่อนเวลาห้านาทีเนะาะตายตายตายแล้วเรามาเกินเวลาเขามีคําถามมาว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าคาว่าตรัสและไม่ต้องใช้คำว่าทรงพระพุทธเจ้าตรัสในตรัสไปคําราชาศัพท์แล้วไม่ต้องใช้คำว่าทรงพระพุทธเจ้าตรัส ไ, ไว้ว่ากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ยากนักในความเข้าใจของดิฉันผุดเกิดขึ้นทางจิตวิญญาณเป็นนามธรรมยกตัวอย่างเช่นชาวโศกคือ ต้องมีศีลจิตใจก็ประเสริฐเพราะการติดยึดของจิตที่ไม่ได้มีศีลคอยขัดเกลวะคือสเลกรรมเนี่ยไม่มีศีลอยขัดเกลวเป็นพุทธแตบเปลือกเพราะไม่ได้ศึกษาว่าว่าความเป็ น, น, นศีลในไตรสิกขาและโอวาทปาติโมกคือสัพพาปัสสะกนัง การไม่ทำแบบทั้งปวงกุศลสุภาพสมุทาการทำกุศลในถึงป้อมซาจิตตบริยธตบนานังการชำระจิตให้พองแผ้วทำสามอย่างนี้คือคำสั่งสอนพู้เจทั้งหลายขอพ่อครูขอพอครูสาธยายโอวาทปาติโมกษ์สามซึ่งดิฉันคิดว่ามันสอดคล้องกับศีลไตรสิกขาสอดคล้องอาตมาเข้าใจไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าวันนี้เวลามันหมดแล้ว ที่จริงสอนไปเมื่อกี้นี้ก็อธิบายศีสมาธิปัญญานั่นแหละถ้าฟังแล้วก็ได้สนองคำถามของคุณแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ฟังไม่เป็นก็เหมือนก็ไม่ได้สอนไม่ได้อธิบายถ้าฟังเป็นก็ได้อธิบายมาทวนรอบแล้วอ้าวต่อไปนี้พุ่งยิ้มอขอประกาศ ประกาศถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมงานวันนี้นะภาคบ่ายภาคบ่ายเวลาประมาณสักบ่ายโมงตรงเนี่ยจะมีการสาธิตการใช้จุลนิสัยสังเคราะห์แสงที่จะแจกว่าเรากลับไปใช้ในไรในในา ใ, ในสวนด้วยนะให้มาพบวันที่สารานี้นะอาจารย์แดงเตรียมของไว้แจกและจะสาธิตแล้วอธิบายให้ฟังละครับขอขออภัยครับจะเปลี่ยนเป็นเวทีครับ ครับวันนี้ช่วงทานอาหารนะครับจะเป็นทีวของลูกตัวเล็กๆแสดงนะครับดังนั้นช่วงนี้ขอความร่วมมือครับใค ร, รแผนกไหนใครจะช่วยเก็บเวทีช่วยเก็บเวยครับ ต, ต้นม